ที่อนุสวร์พระอาจารย์มั่นภูริทัตโตในสังฆราชนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและกระทรวงสาธารณสุขขอเสนอสารสดีชุดพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตตอนประธมการแห่งประวัติและพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต จะกล่าวถึงพระผิกดุผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในรอบหนึ่งร้อยปีที่ผ่านมาแล้วชนชาวไทยทั้งหลายย่อมทราบกันดีว่าพระอาจารย์มั่นภุริทัตโตเป็นพระผูกดิสิทผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรูปหนึ่งเพราะพระอาจารย์มั่นบุริทัตโตเป็นผู้มุ่งมั่นบำเพ็ญเพียรที่ผลทุกข์ด้วยการจเจริญวิปัสสนากรรมฐานเครืคร่องขัดปฏิบัติทุดงขวัตติกความอาถารพอดทน และเผยแร่พระธรรมคำสอนแห่งพระศราสดาด้วยจริยวัตรงดงามให้ปรากฏตลอดแผ่นดินทิจาริกพระอาจารย์มั่นปุริคตโตจึงเป็นที่เคารพเลื่อมใสยอย่างยิ่งแก่เหล่าสมณนักคารวะดโดยทั่วไปผู้ใดได้กราบนมัสการและได้ฟังพระธรรมเทศนาจากท่านโดยใกลยย้ชิดแล้วย่อมประจักษ์ในปฏิปทาของท่านโดยไม่มีข้อสงสัยเป็นบุญแก่ตัว เป็นมงคลแก่กายใจยิ่งนักที่มีโอกาสได้ใกล้ชิดพระอริยสงฆ์ชิ้นนี้พระอาจารย์มั่นภริทตโตเป็นพระภิษุผู้เจริญด้วยสมถะปฏิบัติคืออยู่ง่ายฉันง่ายไม่ยินดีในถิน่นเจริญด้วยวัตถุคงยินดีแต่ในถิ่นอันวิเวกสงบร่มเย็นดรวยพฤกษาธรรมชาติแนวไกลพระอาจารย์มั่นภริทตโตเป็นผู้เกิดมาดีแล้วปฏิบัติ ด, ดีแล้วและไปดีแล้วตลอดช่วงชีวิตแปดสิบปีของท่าน ล้วนมีประวัติชีวิตอันงดงามที่ได้ดางรอยท่านเป็นอริยะสองบริสุทธิ์ยากจะหาได้ไม่ยกปัจจุบันท่านมีจิตมุ่งมั่นสือทอดพระพุทธศาสนาอยู่ใต้ร่มกาสาพัตมาตั้งแต่ยา ว, วัยขันดำรงอยู่ในสัมนาเพศแล้วก็มุ่งมั่นบำเพ็ญเพียรเพื่อหาทางคนทุกจเจริญรอยพระบาทพระพุทธศาสดาอย่างมั่นคงแน่แน่จนเป็นที่สรรเสริญยกย่องของชนทั้งหลายว่า พระอาจารย์มั่นภูริทัตโตคือพระอริยอันประเสริฐและได้ภูมิธรรมชั้นสูงจนบรรลุพระนิพพานถดผลเป็นพระอาหารหันตแห่งยุคยากจะหาพระพิสุกรูปใดบำเพ็ญเพียรได้เช่นนี้จึ่งทําให้มีผู้เรื่องสายมากมายทั้งสมณ์ขารวา่าตยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติเจริญวิปัสนาสืบสายต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันด้วยความดีความงามในจริยวัตรแห่งพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต พระอริยสงฆ์ผู้เป็นที่เคารพยกย่องของชนชาวไทยทั้งปวงดังที่กล่าวแล้วนั้นจึงสมควรนำเอาชีวประวัติและพระธรรมเทศนาของท่านมากล่าวเบยแพ่แก่ท่านทั้งหลายได้ทราบถึงปฏิปทาของท่านตามละดับเพื่อเป็นที่เจริญแห่งสติปัญญาเป็นพาสิเตือนใจให้ประพฤติดีประพฤติชอบกอบ่อฤทธิศีลธรรมทานบุญกุศลเนื่องในวาระที่กระทรวงสาธารณาสุข จัดโครงการขยายโรงพยาบาลชุมชนด้วยเงินบริจาคเป็นโอกาสมหากุศลที่พุทธศาสนิกชนผู้เลื่อมใสในปฏิปทาแห่งพระอาศุสมจะได้ร่วมบริจาค ร, รักตามโครงการดังกล่าวทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านทั้งหลายที่พึ่งมีพึ่งได้ในการข้า ง, งานต่อไป เกิดอริยาบุคคลแห่งย oh ุกต้นปีพุทธศักราช2413ณหมู่บ้านคำบงตำบลโผงเกียงซึ่งปัจจุบันขึ้นอยู่กับอาเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลนราชธานีไม่เวลานั้นชาวบ้านคำบงเพิ่งผ่านการเฉลิมฉลองปีใหม่มาได้ไม่นานนักแต่ครอบครัวของนายคำด้วงนางจังแก่งแก้ว กลับมีการฉลองปิติยินดีอีกกว่ารักหนึ่งทางนี้พระนางจันได้ให้กำเนิดทารกชายคนหนึ่งซึ่งมีลักษณะดีขาคางเฉลียวฉลาดวันนั้นตรงกับวันพฤหั ส, ส บ, บดีเดือนยี่ปีมาแมหรือตรงกับวันที่ยี่สิบมกราคมพุทธศักราชสองพันสี่ร้อยสิบสามิดามาดาขานชื่อทารกชายนี้ว่ามัน่นเด็กชายมั่นแก่นแก้วได้รับการเลี้ยงดูจนเจริญไว มีอุปนิสัยว่องไวปราเปรียวสมรูปร่างที่เล็กบางผิวขาวแดงแต่กลับมีความเข้มแข็ง ม, มั่นคงด้วยดวงชะตากำเนิดตรงกับวันพระหัสสปดีอันทางโหราศาสตร์ถือว่าเป็นวันครูผู้ใดนีเรือนชะตาตกวันครูเช่นนี้ย่อมมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเชี่ยวชาญสพวิทยาถูกลักษณะต้องตามตาราเป็นพรามนาจารย์ดียิ่งนัก คุณลักษณะดังกลา่ามานี้ล้วนมีอยู่ในตัวของเด็กชายมั่นครบถ้วนครั้งเจริญไวัยได้15ปีบิดามานดาจัดการบรรพชาให้เป็นสามเณรศึกษาเล่าเรียนอยู่ในสำนักวัดบ้านคำบ่ซึ่งเป็นที่ถูกอัธยาศัยแก่เด็กชายมั่นอย่างจริงสามเณรมั่นมีความสนใจฝ่ายเรียนเขียนศึกษาธรรมะพระสูตรและพระวินัยได้รวดเร็ว ตอบกับประพฤตธตัวเรียบร้อยอัธยาศัยเมตรีดีสม่ำเสมอทําให้สามนเณรมั่นเป็นที่รักใคร่ของครูอาจารย์มาโดยตลอดสามนเณรมั่นมีจิตใจยินดีอยู่ในเพศบรรณชิตใครบ่บรรฑชาอยู่ในร่มกาสวพัสด์อย่างมั่นคงยาวนานแต่ชะตาไม่ได้เป็นดังใจคิดเพียงสองปีสามนเณรมั่นจําต้องลาสิกขากลับมาอยู่ในเพศเันธ์ราวาดอีกครั้งตามคําร้องขอของปิดา อันเนื่องมาจากความจาเป็นในครอบครัวเพราะขณะนั้นท่านมีน้องๆเพิ่มขึ้นอีกหลายคนยังไรก็ตามท่านไม่ได้ลดละความศรัทธาตั้งใจมั่นในอันที่จะกลับมาอุปสมบทดำรงอยู่ในสมณเพศอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับดวงชะตาของท่านจะถูกลิธิขดไว้แล้วว่าท่านจะต้องอยู่ในสมณเพศและได้ทำวิเศษบรรลุอรหัตลผลพ้นกิเลสในชาตินี้แน่แท้ดังนั้น อีกสี่ปีต่อมาเมื่อท่านมีอายุได้ยี่สิบสองปีท่านก็บังเกิดสถาแรงกร้าใคร่จะอุปสมบทจึงกราบลาบิดามาดาเข้าอุปสมบทเป็นพระพิษุตณวสีทองหรือวัดสีอุบลรัตนารามในปัจจุบันเมื่อวันที่สิบสองมิถุนายนพุทธศักราชสอง6ันสี่ร้อยสามสิบ มสุบินนิมิตอันเทพยาดาปันดาลพระอาจารย์มั่นโุริทตสปุกประสมบทเป็นพระพิสุธเมื่ออายุ22ิสองปีณวัดสีทองจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีพระอริยะรวีเป็นพระอุปชาพระครูสีธาชายะเตโนเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระครูประจักษ์ภูรคุณเป็นพระอนุศาสนาจารย์และได้นามฉายาว่าภูริทตโตอันว่านามฉายาาภูริทตโตนี้ไปพร้อมกับนามของพระโพธิสัตว์ภูริัตผู้ทรงบำเพ็ญศีลบารมีในชาดกสำคัญพระชาติหนึ่ง ในมหาชาติชาดกที่เราทั้งหลายทราบกันดีแล้วราวกับพระอุปชาจะทราบโดยยานว่าพระพิสุมั่นผู้นี้จะเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลบริสุทธิ์มั่นคงต่อไปในภายภาคหน้าพระพิสุมั่นภูริทโตปอุ ป, ปสมบทแล้วก็มาพำนักอยู่ในสำนักพระอาจารย์เสากันติโลนักวัดเลียบอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีและยึดถือปฏิบัติบิปัสสนา บริกรรมภาวนาบทพุทโธเป็นประจำกนิสัยแต่จะบริกรรมเท่าใดใจก็มิได้สงบสุขดังหวังจึงครุ่นคิดสงสัยเป็นกำลังในแนวปฏิบัติตนเรื่อยมาแต่กระนั้นท่านก็มิได้ลดละความเพียรในการปฏิบัตินั้นหละแล้วความสงสัยก็ไขกระจักษชัดในคืนวันหนึ่งคืนนั้นท่านสุบินนิมิตแต่ว่าท่านเดินทางออกจากหมู่บ้าน สู่ป่ารกชัดเต็มไปด้วยปากน้ำยากที่จะฝ่าออกไปได้โดยง่ายแต่กระนั้นท่านก็เพียรพยายามฟ่าฟันจนหลุดพ้นไปสู่ทุ่งกว้างได้โดยปลอดภัยท่านเดินทางมุ่งหน้าไปตามทุ่งกว้างสุดสายตานั้นจนกระทั่งได้พบแาบถอนไม้ที่ตายแล้วพอดวางอยู่บนพื้นดินทำให้ท่านเกิดสติปัญญาพิจารณาล้อมนา มาเปรียบเทียบกับชาติทพของท่านว่าสามารถดับสิ้นไปไม่เกิดอีกดุดซากถอนไม้ที่ตายแลนี้ยอมไม่กลับงอกขึ้นมาอีกหากท่านมีความเพียรพยายามอย่างที่สุดขณะนั้นปรากฏม้าสีขาวรูปร่างสูงใหญ่หยอกย่างตรงเข้ามาหาท่านท่านจึงปีนขึ้นหลังม้าตัวนั้นด้วยใจยดีม้าสีขาวพาท่านวิ่งท ย, ยานโลดแล่นไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว เต็มกำลังท่านรู้สึกได้ว่าระยะทางที่ม้าวิ่งไปนั้นไกลแสนไกลจนกระทั่งมาหยุดยังเบื้องหน้าตู้พระไตรปิฎกสีเงินยู่อันงามวิจิตรใบหนึ่งติดตั้งอยู่นักพอทุ่งกว้างที่เบื้องหลังเต็ไมไปด้วยป่ารุชัดฝากหนามท่านมีใจปรารถนาจะเปิดตู้พระไตรปิฎกนั้นแต่ยังไม่ทันจะได้เปิดท่านก็กลับสะดุ้งตื่นขึ้นจากภวังค์ไปก่อน พระพิสุมั่นภูริทัตโตพิจารณาสุวินิมิต ด, ด้วยสติปัญญาแล้วก็บังเกิดความมั่นใจในแนวทางปฏิบัติอิปัสสนาบริการบทสุทโธนั้นว่าถ้าท่านกอบด้วยความเพียรถึงที่สุดแล้วย่อมสำเร็จหลุดพ้นทุกได้ดังใจปรารถนาเป็นมั่นคงดังนั้นท่านทั้งหลายคึงใช้สติปัญญาตรีตรองถึงผลแห่งความเพียรนั้นถือว่าคนเรานั้นค้นทุกได้ด้วยความเพียร และความเพียรย่อมนำผลสาเร็จมาสู่ผู้ประพฤติโดยแท้ตอนจริยวัตรของพระอาจารย์มั่นพุริทัตโตเมื่อพระอาจารย์มั่นบริทัตโตมีความเชื่อมั่นศรัทธาในความเพียรวิปัสสนาสมาธิด้วยการบริกรรมพุทโธแล้ว ท่านก็บำเพ็ญตามแนวศรัตนั้นเรื่อยมาและประกอบจริยาเป็นกิจวัตรเจ็ดประการถือมั่นเช่นนั้นโดยตลอดจนกระทั่งถึงวารับสุดท้ายแห่งสังขารจริยวัตรเจ็ประการนั้นได้แก่หนึ่งถือผ้าบางสุกุณเป็นวัตรกำหนดไม่รับผ้าที่เขาถวายด้วยมือสองรับพัตหานเฉพาะที่เขาถวายในบาทเท่านั้นไม่รับพัตหารที่เขาถวายต่งมาในภายหลัง 3. ฉันพัตทหารเพียงมือเดียวเท่านั้นสฉันพัตทหารในบาทที่มีอยู่เพียงภัชนะเดียวเท่านั้นหมีอัธยาศัยสแสวงหาความวิเวกอยู่ในร่มไม้แนวไพรหุบเขาถ้ำหา 6. หถือผ้าไตรจีวรสามผืนอันมีสบบงจีวรและสังคาติและเจ็ดบินทบาดเป็นวัดประจำวันสม่ำเสมอ เว้นวันใดไม่ฉันก็พึงมดเสียสำหรับจริยวัดอื่นๆที่ยึดถือปฏิบัติบ้างไม่ปฏิบัติบ้างท่านก็สมาธานปฏิบัติตามความสมควรแก่กาลสมัยพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตบำเพ็ญเพียรจิตให้เป็นสมาธิร่าแข็งขึ้นเป็นลำดับและสามารถทบทวนพิจารณาพระธมสุบินนิมิแจ้งชัดได้ว่าการที่ท่านสุบินว่าออกจากหมู่บ้านไปสู่ป่ารกชัด และสามารถผ่านป่ารกชั้ไปสู่ทุ่งกวา้างอันเว่อร์วางนั้นหมายถึงการที่ท่านสลักเพชรคารวะออบบวชหนีจากโลกอันเป็นที่รวมแห่งสัพพทุก์และสามารถพาฟันอุปสรรคคือภัยทั้งปวงจนหลุดพ้นสบายใจได้อีกทั้งได้ปฏิบัติด้วยความเพียรคือม้าสีขาบริสุทธิ์ที่นำท่านไปสู่ธรรมอันวิเศษที่อยู่ในตู้พระไตรปิฎก อันนาวิจิตและด้วยวาสนาบารมียังไม่พอเพียงจึงเพียงแต่ได้ชื่นชมอยู่ภายนอกไม่ได้ตื่นดำรถธรรมอันลึกซึ้งที่อยู่ภายในตู้พระไตรปิฎกนั้นได้ถึงแม้ว่าท่านจะกล่าวถึงปริศนาธรรมอันปรากฏเป็นสุบินนิมิตในเชิงถ่อมตนทุกผีนี้แต่บรรดาผู้พบเห็นปฏิปทาและได้ฟังพระธรรมเทศนาแต่ละบทแต่ละตอนของท่านแล้ว ย่อมเป็นความสาสซึ้งให้เราะจับใจแจ้งชัดว่าพระอาจารย์มั่นภุริทัตโตได้เข้าถึงแก่นพระธรรมอันวิเศษนั้นบรรดาให้เกิดปัญญารอบรู้ฉลาดในอุบายเชิงสั่งสอนได้อย่างลึกซึ้งแกบ่บรรดามนุษย์และเทวดาทุกหมู่ชั้นยากที่จะหาพระอริยสงฆ์ผู้ชาญฉลาดเช่นนี้ได้ในยุคปัจจุบันความอเป็นข้อคิดพิจารณาในตอนนี้แสดงให้ท่านทั้งหลายึงตรีตรองด้วยปัญญาเถิดว่า การผอมกลเป็นคุณสมบัติที่พึงมีอยู่ในนิสัยการกระทำจิตใดๆด้วยใจบริสุทธิ์ก่อพคุณธรรมย่อมสําคัญกว่าคาพูดโ oh อ้อวดตนและบุคคลทั้งปวงย่อมแส้เห็นจะรสริญยกย่องท่านทั้งหลายเองว่าคืออริยะบุคคลอั้นกวนอารม อาจารย์มั่นภูริถโตคือสิทธุผู้อาจารย์ให้การยกย่องพระอาจารย์มั่นภูริถโตอวรณาตูเป็นสิทธิของพระอาจารย์เสาวกันตสิโลตั้งแต่แรกอุปสมบทและปฏิบัติธรรมอยู่กับพระอาจารย์เสาวละวัดเรียบนั้นพระอาจารย์เสาวกันติสิโล เป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีความเพียรเป็นเลิศปิริยามารยาทอ่อนน้อมสุขุมเยือกเย็นมีจิตเมต้ายิ่งดุถ า, าน้ำใสสะอาดที่รินหลังไม่เลือดหน้าพระอาจารย์เสาวมีความรักไว้วางใจในตัวพระอาจารย์นั่นเป็นอย่างยิ่งท่านมอบหมายให้พระอาจารย์นั่นเป็นผู้วางระเบียบการอบรมวางแผนเผยแพร่คำแก่อุบาสกอุบาสิกาแต่เพียงผู้เดียว พระอาจารย์เสาคือวัดปฏิบัติในไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญามั่นคงนักท่านจึงเป็นที่เคารพยกย่องในหมู่สิยธารู้สิทธิทั้งปวงโดยเฉพาะพระอาจารย์มั่นซึ่งนอกเหนือจากความเคารพในตัวพระอาจารย์เสาอย่างเต็มเปี่ยมแล้วท่านยังมีความกระตันยูกตบเวทีมีความมั่นคง ดถือวัดปรนิบัติวัดถากพระอาจารย์เสาในฐานะเป็นศึกอันพึงกระทำต่ออาจารย์แม้ว่าพระอาจารย์มั่นจะอุปสมบทได้พรรษาที่26แล้วท่านก็ยังประพฤติป ฏ, ปฏปิบัติต่ออาจารย์ดุดพระ อ, าารอุปสมบทใหม่ด้วยการล้างบาทรักจีวรตูที่นอนตักน้ําถวายสงฆ์ทูหลังให้พระอาจารย์เสามาโดยตลอด แม้พระอาจารย์เสาวจะห้ามป ร, รามณเท่าใดก็ไม่ยอมด้วยท่านยึดถือตตันยูกตะเวทีเป็นที่ตัง้งย่างไรก็ตามถึงแม้พระอาจารย์เสาจะอยู่ในฐานะเป็นอาจารย์ของพระอาจารย์มั่นแต่ด้วยธรรมปฏิบัติและจะริยวัตรอังนงดงามของพระอาจารย์มั่นพระอาจารย์เสาจึงให้การยกย่องแก่ท่านทัานด้วยใจบริสุทธิ์สิ่งใดที่พระอาจารย์มั่นกล่าวเป็นภาสิทพระอาจารย์เสาวก็รับฟังด้วยใจอันปราดจัจจากิกิ มีได้ถือตนปฏิปทาจริยวัตน์อนุทวจงานของพระบุรภาจารย์ทั้งสองท่านนี้เป็นที่สรรเสริญยกย่องว่าเป็นแบบอย่างอันดีที่พึงปฏิบัติตามพระอาจารย์นั่นจึงเป็นศิษย์เตกที่พระอาจารย์สารักและยกย่องมากที่สุดความทันเป็นข้อคิดพระเจ้าจันทราน า, น า, น า, นา ใ, นในตอนนี้สแสดงให้ท่านทั้งหลายพึงตรีตรองด้วยปัญญาเถิดว่า ควรประพฤติปฏิบัติต่ออาจารย์อย่างไรบ้างในฐานะเราทั้งหลายเป็นศิษย์พระพุทธองค์ทรงเทศนาเรื่องนี้ไว้ว่าศิษย์พึงปฏิบัติต่อครูอาจารย์ห้าประการคือต้อนรับขับสู้ท่านคอยรับใช้ท่านเชื่อฟังคำสั่งสอนท่านปฏิบัติท่านและเล่าเรียนในความเคารพท่านผู้ที่ประพฤติปฏิบัติได้เช่นนี้ย่อมเป็นที่สรรเสริญยกย่องแก่ชนทั้งปวงว่า เป็นอารยบุคคลที่มีความกระตันยูกระตะเวทียากที่จะหาได้ในปัจจุบันท่านพุทธทาสที่ขุบอรมาจารย์แห่งยุคได้กล่าวถึงอันิสงของการกระตันยูรู้คุณครูอาจารย์ไว้ตอนหนึ่งว่าความระลึกถึงบุญคุณของอาจารย์มีแต่จะให้ยาทาสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนสืบไ ป, ไ, ปไม่ไมีที่สิ้นสุดเพื่อรักษาเกียรติแห่งสํานักของอาจารย์ และอุทิศส่วนกุศลแก่อาจารย์พร้อมกันไปในตดตอนการบรรเทาสมาธิพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเป็นผู้มีอัธยาศัย ไฟบำเพ็ญสมาธิเป็นอย่างยิ่งก่อนที่ท่านจะได้รับการยกย่องว่าเป็นพระอาจารย์ผู้ทํางานด้านการบำเพ็ญสมาธิที่ปรัชนากรรมฐานนั้นท่านต้องใช้ความเพียรฝึกปฏิบัติลองผิดลองถูกอยู่นานทีเดียวจึงจะถูกจริญในอัธยาศัยของท่านการบำเพ็ญสมาธินั้นหมายถึงการกําหนดจิตให้ตั้งอยู่ในความสงบนิ่งเพื่อให้เกิดปัญญาสามารถรู้ธรรมอันวิเศษ หลุดพ้นจากสังสารวัติคือการเรียนไหวตายเกิดนั้นได้ซึ่งกันจุดมุ่งหมายสูงสุดแห่งพระพุทธศาสนาการฝึกปฏิบัติสมาธิโดยทั่วไปอาจใช้วิธีกำหนดจิตโดยการบริกรรมภาวนาพุทโธถือเอาสติคือความระลึกได้ในขณะหายใจเข้าว่าพุทหายใจออกว่าโธและถือเอาสามัญญะคือความรู้ตัวว่า กำลังหายใจเข้าและออกตามจิตที่ระลึกอยู่นั้นหรืออาจใช้วิธีเดินจงกรมก้าวย่างอย่างมีสติตสัมปชัญญะทุกย่างก้าวจิตของเราจะรวมตัวสงบนิ่งตอนเมื่อฝึกจิตเป็นสมาธิกล้าแข็งขึ้นมากแล้วตาดบำเพ็ญสมาธิขั้นสูงโดยน้อมนำจิตที่ารณาเพ่งสังขารเป็นอารมณ์ให้บังเกิดมรณะสติ คือะระลึกถึงความตายที่ทุกคนไม่อาจหลีกเลี่ยงได้และเป็นไปตามกฎแห่งไตรลักษณ์คืออนิจจ์ความไม่เที่ยงแท้แปรผันทุกขังความเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้และอนัตตาความไม่ใช่ตัวตนทั้งนี้เพื่อให้จิตเกิดความเบื่อหน่ายระหว่งางบางเบาต่อที่เล็กความรู้สึกที่ไม่ติดยึดกินใดบังเกิดขึ้นแล้วย่อมแสดงว่า ได้ดำเนินไปตามวิถีทางบำเพ็ญที่ถูกต้องแล้วกล่าวย้อนถึงพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเพื่อแรกครั้งสุดปฏิบัติจิตอยู่ณวัดเลียกนั้นวันหนึ่งขณะจิตสงบ ก, ก็บังเกิดอุคณิมิตเป็นภาพในจิตชวนสยดสยองคือเกิดภาพคนตายตายเน่าผู้พองน้ำหนองน้ำเหลืองไหลยเยิม้มสุนัขแรงกาต่างพากันยื้อแย่งกัดกินซาบสศก จนกระจัดกระจายอยู่ต่อหน้าเป็นที่น่าสังเวชท่านจึงกำหนดเอาภาพนั้นเป็นนิมิตเพียนเพ่งแต่ทว่าภาพนิมิตนั้นกลับ แ, แปรเปลี่ยนไปเป็นภาพอื่นๆแตกต่างกันไปยิ่งเพ่งจิตติดตามเท่าใดภาพนั้นก็แปรไปจนตามแทบไม่ทันขันแปรไปไม่มีที่สิ้นสุดท่านบำเพ็ญเพียนเพ่งโดยวิธีเช่นนี้นานถึงสามเดือน จิตก็มีได้สงบนิ่งกลับวิ่งติดตามภาพที่เพ่งไปนั้นและบังเกิดความวันไหวไปตามอารมณ์ที่มากระทบจนท่านบังเกิดความสงสัยว่าเห็นจะไม่ใช่วิถีทางที่ถูกต้องเพราะจิตของท่านไม่สงบดํารงมั่นกระพรอนสั่นวอกแวกดังนั้นท่านจึงกําหนดจิตเสียใหม่ให้เพียนเพ่งอยู่แต่เพียงส่วนต่างๆรอบกายและใช้วิธีเดินจงกรมมากกว่าเริยบทใดๆ แม้จะพักผ่อนคลายไปรียบทหรือหลับนอนก็เพ่งพิจารณาแต่กตายเป็นอารมณ์เมื่อท่านปฏิบัติเช่นนี้อยู่สองถึงสามวันจิตของท่านก็รวมตัวสงบนิ่งโดยง่ายได้รวดเร็วไม่เที่ยวซอกซอนเหลวไหลหรือไหววันสั่นคลอนท่านจึงแจ้งชัดว่าเป็นอุบายที่ถูกต้องแล้วจึงดำเนินตามอุบายดังกล่าวฝึกจิตสมาธิให้ชนางาญขึ้น โดยไม่ย่อหย่อนสืบไปตอนพระผู้เป็นเลิศทางทุดงขวัตรจริยวัตรของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต คือจริวัรที่ดำเนินตามรอยบาทแห่งพระศ า, าสดาโดยเคร่งครัดทันถือปฏิบัติเป็นนิสัยไฟบำเพ็ญเพียรให้หลุดพ้นจากวางบนแห่งการกิเลสด้วยความตั้งใจมั่นอันปรารถนาธทรรมวิเศษยิ่งชีวิตดังนี้และมีอุปนิสัยไฟหาความสงบวิเวกชีวิตในเพศบรรพชิตของท่านส่วนใหญ่จึงมุ่งไัยทุดงเดินไปตามถิ่นธุรกันดาล เือบริหารจิตวิ ป, ปัสสนาตามาไม้ท่ำผาที่แทบจะหาผู้คนอาศัยอยู่ไม่ได้แทบแนวไัยทั่วทั้งภาคอีสานเช่นนครพนมสกลนกคอรดด อ, นอุดรธานีหนองคายเลยเพชรบูรณ์ตลอดไปจนถึงดินแดงอีฝ้าฝั่งแม่น้ำโขงของประเทศลาวเช่นท่าแทรเวียงจันไปจนถึงหลวงพระบาง ส่วนดินแดนทางภาคเหนือของไทยนั้นท่านชอบจาฤกษ์บำเพ็ญธรรมในถิ่นเพื่อเขาทางเชียงใหม่เชียงรายไปจนถึงดินแดนพมา่าเหตุที่ท่านชอบจาฤกเพื่อบำเพ็ญสมาธิวิปัสสนากรรมฐานในดินแดนกันดารตามแนวไทยในถิ่นดังกล่าวนี้ก็เนื่องด้วยเป็นถิ่นอันสงบยิเวเเหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรจิตยิ่งนักสามารถตึกขาดขัดเกลาจิตใจ ให้ลวงพ้นเกลเได้โดยง่ายพระสัมมาสัมพุทธเจา้าได้ตรัสสรรเสริญพระสมณะอุโมงมันสแสวหาความสงบวิเวกเพื่อบำเพ็ญเพียรทางจิตในป่าเขาเช่นพระอาจารย์มั่นนี้ว่าเป็นสมณะอันประเสริฐยิ่งซึ่งพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตได้รับการยกย่องจากถองชนและบัรพชิตโดยทั่วไปว่าท่านคือพระผู้เป็นเลิศทางธุดงควัดโดยแท้ จริยวัดโดยตลอดแห่งการดําเนินชีวิตของท่านนั้นท่านไม่ได้ห่างเหือนจากความเพียรเลยสมดังพุทธภาะเกศอันตือนสติเสมอว่าวิริเยนะักทุกขมัดเจติคนเราพ้นทุกได้ด้วยความเพียรดังนั้นทุกอิริยาบทของท่านจึงประกอบด้วยความเพียรสุดจิตสมาธิโดยตลอดไม่ยอมเสียเวลาไปโดยปล่าประโยชน์ไม่ว่าท่านจะบินทบาตข้าดลานวัน ขัดกระโถนเย็บผ้าย้อมผ้าชั้นอาหารท่านแลเห็นโทษแห่งการง่ง่วงหาวนอนจึงพักผ่อนแต่พอเล็กน้อยแล้วค่อยแก้ไขโดยอุบายเดินจงกรมจนหลุดพ้นความง้ง่วงแล้วจึงนั่งบำเพ็ญสมาธิภาวนาไปจนสมควรแก่กาเวลาครั้นถึงคราวเวทบาทท่านก็เดินโดยอาการสารวมประกอบความเพียร มีสติกำกักทุกย่างก้าวเมื่อท่านจะฉันพัฒตาหารท่านก็พิจารณาปัจเจเวขณะด้วยบทปฏิสังขาโยมีได้เพล่อเพลิในรสอาหารนั้นๆจิตใจเป็นธรรมรำนักตัณหาครั้งเสร็จพัตกิจทำความสะอาดภาชนะแล้วท่านก็มุ่งสูป่ป่าบำเพ็ญเพียรสมาธิภาวนาเดินจงกรมทำความเพียรเพื่อหลุดพ้นโดยไม่เสื่อนถอย ตนเผชิญอันตรายจากผู้ผีและสัตว์ร้ายในต้นสมัยแห่งการเที่ยวจาริกเพื่อปฏิบัติสมาธิภาวนาตามป่าเขาในพิ่นต่างๆพระอาจารย์มั่นคุริทโตในจาริกมาทางภากลางแถบจังหวัดลบบุรีโดยพนักณถ้ำไผ่ขวางถ้ำพระงางถ้ำสิงโต และแถบจังหวัดนครนายกเช่นถ้ำในเขตเขาใหญ่ถ้ำสาริกาเป็นต้นการเที่ยวจารึกทานักตามถ้ำผาป่าเขาเหล่านี้ท่านต้องเผชิญกับภัยอันตรายจากผู้ผีและตัดร้ายนานับประการดังเช่นคราวที่ท่านคํานักนิพัานานักท่าถาสาริกาอยู่หนึ่งปีนั้นท่านเผชิญกับผีตัวหนึ่งซึ่งมีริ้เด็ดๆดุร้ายน่ากลัวมากท่านเล่าว่า เมื่อครั้งที่ท่านจาริไปถึงถ่ำสาริกาใหม่ๆชาวบ้านต่างพากันพัดทางท่านมีให้คำนักอยู่ในท่านเพราะมีผีตัวหนึ่งดุร้ายน่ากลัวคอยทำร้ายผู้คนที่เข้าไปในถ้า น, นั้นอัเนเลืองๆพระภิกษุรูปใดปวดเก่งเข้าไปก็มีอันเป็นไปล้มป่วยตายไปหลายรูปพระอาจารย์มั่นพุริทโตได้ฟังแล้วก็มีได้มีจิจหวั่นไหวหวาดกลัวด้วยเห็นว่า ทัานนี้ได้มีเจตนารบกวนปวดเก่งท่านต้องการบำเพ็ญภาวนาจิตเท่า น, นั้นท่านจึงขอเข้าไปพำนักในท่านนั้นโดยอาถรรพมั่นคงครั้นท่านพำนักได้เพียงสองถึงสามวันท่านก็มีอาการอาภาษณรุนแรงจนต้องระงับความจดไข้ด้วยการบำเพ็ญจิตให้เป็นสมาธิขณะนั้นพูดร้ายที่ปรากฏกายขึ้นลูกรางพูดรายนั้นใหญ่โตสูงราวสิบเมตร ผิวกายดาถือตะบองเลยเดินมายังเบื้องหน้าท่านท่านจึงรวบรวมจิตคิดกำราพูดรายนั้นด้วยธรรมวาจาโดยเทศนาถึงผ ล, ลกรรมอันเป็นบาปหยากช้าซึ่งจะชักนำไปสู่มหันตานรกได้รับทุกขเวทนาไม่มีที่สิ้นสุดพูดร้ายตนนั้นได้ฟังพระธรรมเทศนาของท่านแล้วจิตใจอันหยาช้าก็อ่อนลงคงแต่มีความภารกเลื่อมใสในตัวพระอาจารย์มั่น แล้วกล่าวอ้างพระรัตนไตรเป็นที่พึ่งถึงไตรพระนาบนตลอดไปนอกจากกา ร, รเผชิญหน้ากับผีร้ายดังกล่าวนี้แล้วพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตยังเผชิญภัยอันต ร, รายจากสัตว์ ร, ร้ายเช่นเสือเป็นต้นดังเช่นเมื่อครั้งท่านทุดงไปยังป่าเขาในดินแดนประเทศลาวท่านเล่าว่าขณะที่ท่านเดินจงกรมอยู่นั้นเสือคร่งใหญ่โตตัวหนึ่ง เดินคำรามวนเวียงอยู่ใกล้ๆท่านแต่กูไม่ได้เข้ามาทำร้ายเป็นที่น่าอาัศาจรรย์ยิ่งนักใช่แต่ในคราวนี้เท่านั้นแม้แต่ป่าเขาทางแถกจังหวัดนครทนมเช่นบ้านห้วยใายคำชะอีหนองสูงโคกกาซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นทิ่ินที่มีเสือชุกชุมมากท่านก็ไม่ได้รับอันตรายจากเสือร้ายเหล่านั้นเลยการที่ท่านเที่ยวจาริกปฏิบัติธรรมในป่าเสมอเสมอ ทำให้ท่านรู้ภาษาสัตว์ต่างๆและมีเมตตาธรรมต่อสัตว์เหล่านั้นท่านจึงสามารถดำรงตนอยู่ในป่าได้อย่างเป็นสุขปลอดภัยจิตใจสงบท่ามกลางภัยอันต ร, รายต่างๆในแนวพรายนั้นเป็นที่น่าอาัศจรรย์เลื่อมใสแต่ผู้พบเห็นยิ่นะ้ม พระธรรมนำน้อมจับใจถึงแม้ว่าพระอาจารย์ั่นภูริโตจะถือปฏิบัติวิปัสนาเป็นพระป่าฝ่ายอรัญวสีก็าตามท่านก็มิได้อำนักอยู่เฉพาะแต่ในป่าเท่านั้นคราวใดมีโอกาสแสดงธรรมโปรดพุทธบริษัตรและเทพยาดาพญานาถทั้งหลายท่านก็มีเมตตา เทสนะธรรมโปรดมูชนทั้งหลายเหล่านี้อยู่เสมออีกทั้งฝึกอบรมให้โอวาสแก่พระพิจุสามเณรอันเป็นสิทธาญาณศิธิ์ของท่านให้ประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกที่ควรแก่รรมนเพพอย่างเต็มกำลังวาจาเทสนาธรรมของพระอาจารย์มั่นปูริทโตนั้นมีความไพเราะจัดใจแก่ผู้ฟังยิ่ง น, นักอีกทั้งข้อธรรมที่นามาแสดงก็กระจาแจ้ง ดุดแสงสุริฉายสว่างอยู่กลางใจฟังง่ายและช่วยคลายความเครือบแคลนสงสัยเสียดิ้งเรื่องราวอันเป็นประจักษ์พยานแห่งคำสรรเสริญดังกล่าวมานี้มีกล่าวไว้ตอนอีกว่าเมื่อครั้งพระอาจารย์มั่นติดตามท่านเจา้าุณอุบาลีคุณูปม า, าจารย์จันสริจันโทวัดบรมนิวาราชวาราิหารเดินทางไปยังจังหวัดเชียงใหม่ โดยพำนักอยู่นวัดเจดีหลวงประชาชนที่มีความศรัทธาท่านเจ้าคุณปุบารีต่างพากันมากราบนมัสการอยู่เป็นจํานวนมากท่านเจ้าคุณอุบารีได้อาราธนาพระอาจารย์มั่นเป็นองค์แสดงธรรมให้ประชาชนทั้งหลายเหล่านั้นได้ฟังพระอาจารย์มั่นเรื่องแสดงธรรมตามละดับโดยทัก บ, บอกจิตใจให้พร้อมน้อมนาใจให้เกิดปัญญาพิจารณาในความจริงทั้งปวง ด้วยํำนวนโวหารไพโรตเลิ่เพลินชวนฟังพุทธบริษัททั้งหลายก็คลายความสงสัยซึ่งเคลือแคลงยิ่งฟังก็ยิ่งอิ่มในรถแห่งพระธรรมวาจาเป็นที่น่าอาจจัศจรรย์ว่าพระป่าที่เป็นผู้ไฝ่วิปัสสนากรรมฐานเช่นพระอาจารย์มั่นนั้นท่านช่างเทศนาธรรมะได้จับใจดีนะเน้นหนักเบาเป็นขั้นตอนและคลี่คลายพระธรรมอันสลับซับซ้อน ญาติจะเข้าใจให้เห็นเนื้อธรรมแยกแยะชี้แจงจนแจ้งชัดทุกถ้อยความเมื่อพระอาจารย์มั่นแสดงธรรมจบลงท่านเจ้าคุณอุบาลีก็ อ, อดที่จะกล่าวสรรเสริญพระอาจารย์มั่นในท่ามกลางพุทธบริษัททั้งหลายไม่ได้ว่าท่านมั่นแสดงธรรมไทเราะมากญาติจะหาผู้ใดเสมอเหมือนได้อีกท่้นแสดงธรรมเป็นมุตโตไทยคือหลุดพ้นแห่งความเครือบแคลงสงสัย แม้แต่ตัวท่านเองก็ไม่อาจแสดงได้เช่นพระอาจารย์มั่นนั้นเลยแม้ว่าท่านจะเป็นผู้ใหญ่กว่าก็หามีความสามารถเช่นนั้นได้ท่านจึงให้ความเคารพในตัวพระอาจารย์มั่นอย่างยิ่งพระอาจารย์มั่นภูริัตโตจึงเป็นที่เคารพเลื่อมใสในปฏิปทาและธรรมเทศนาที่รินรแสดงแจ้งชัดแก่พุทธบริษัททั้งหลายแล้วอย่างยิ่ง สอนแห่งคดีโลกแต่ก่อนนั้นคนไทยระนักถือผีเชื่อวิญญาณกันมากโดยเฉพาะทางภาพอีสาเนเมื่อเชื่อผีเชื่อวิญญาณแล้วก็นักเส้นสูงบูชาหาโรยามเจ็บป่วยไข้เมื่อใดใจก็คิดไปแต่เรื่องผีหมอยาปัจจุบันก็มีแต่ไม่ใครจะเชื่อถือ ได้กรับพึ่งหมอผีมารักษาและให้ความปักทานิยมเมื่อพระอาจารย์มั่นภูริทตจาริกเที่ยวไปในถิ่นอิสานท่านก็แสดงธรรมที้ทางปัญญาให้ชาวบ้านแหลเห็นความจริงอันเป็นประโยชน์และโทษแห่งความเชื่อเหล่านั้นจนบางเบาไปมากท่านเคยอธิบายแห่งปัญหาที่ว่าผีมีจริงหรือไม่ไว้อย่างกระจาดชัดว่าความจริง ผีที่ทําให้คนเกิดความกลัวและเป็นทุกข์กันนั้นเป็นผีที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของคนเมื่อคิดว่ามีและสามารถให้กลุ่นให้โทษแก่ตนได้ผีก็มีขึ้นได้จากโมโนภาพที่วาดฝันขึ้นมาส่วนผีที่มีตัวตนอยู่อีกนิติอย่างนั้นหากท่านจะกล่าวว่ามีจริงก็ไม่มีพยานหลักฐานยวิญ ญ, ญาให้เชื่อผีอได้เพราะคนเราโดยมากมีนิสัยไม่ชอบยอมรับความจริง ปัญหาเรื่องผีมีจริงหรือไม่จึงถขเป็นปริศนาธรรมสองประการดังกล่าวแล้วนี้พระอาจารย์มั่นปุิวโตมัดใช้เวลาราวสี่ห้าโมงเย็นแสดงธรรมตรดประชาชนเทศนาให้คนเหล่านั้นเป็นคนที่แท้จริงท่านอธิบายถึงปัญหาที่ว่าคนเราเกิดมาจากไหนไว้ว่าในทางธรรมนั้นมนุษย์และจักรล้วนเกิดจากอวิชชาอามไม่รู้ อันเป็นรากเหง้าของกิเลสทั้งปวงนั่นคือความไม่รู้ในทุกขความไม่รู้ในเหตุให้เกิดทุกความไม่รู้ในความดับทุกขและความไม่รู้ในทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกนอกจากนี้มนุษย์ยังเกิดจากตัณหาคีอความทยานอยากปรารถนาในอารมณ์อันหน้ารักใคร่อยากมีอยากเป็นนั่นเป็นนี่และอยากไม่มีอยากไม่เป็นนั่นไม่เป็นนี่ตั้ววิชาและตัณหา จึงเป็นเหตุให้มนุษย์เกิดกิเลสเป็นทุกข์และต้องเกิดเย็นว่าอยู่ในวัฏฏะสงสารอยู่ไม่รู้จักจบสิ้นปัญหาอีกข้อหนึ่งที่พระอาจารย์มั่งแสดงไว้เป็นข้อคิดพิจรารณาคืออะไรเป็นเหตุที่มนุษย์และแตัดเกิดความรักกันชอบกันท่านกล่าว่าต้นเหตุคือราคะปัญหาความใไถ่ความอยากที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนถ้ามีมากขึ้น และไม่มีสติปัญญาสกัดกั้นยับยั้แล้วย่อม น, นำมาหาตะไครมาสู่ตนและโลกด้วยราคาปัญหาเป็นต้นเหตุแห่งทุกสามารถนำไปสู่การเบียเดเบียนทัหลายกันได้ข้ออภิปรายไขปัญหาดังที่นำมาสาธกแห่งกลางนี้คือคำสอนอันเป็นเรื่องราวทางโลกที่พระอาจารย์มั่นภูริทโตได้ตรึงสติแก่เราผู้อยู่ในโลกแห่งตามมิเลื ได้คืนชิดพิจารณาให้เกิดปัญญาประพฤติประพฤ ต, ติชอบต่อไป<ช>อ<บ>ตอนทาอันเป็นรากแก้วแห่งความเป็นมนุษย์ สามเณรและคราวาทั้งหลายเป็นหน้าที่สําคัญอยา่างหนึ่งของผู้ทำแต่เฉพาะตัวเท่านั้นแต่ท่านมีเมตตากรุณาต่อผู้อื่นให้หู้ทำด้วยดัง แ, แนวทางจริยาแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงมีพระเมตตาต่อโลกมาแต่ครั้งพุทธกาลพระอาจารย์มั่นภูริตโต มีวิธีการฝึกอบรมพระพิสุสามเณรและครวะเป็นที่น่าอัศจรรย์เพระเหมาะสมกับท่านภูมิความเป็นอยู่และภูมิ จ, จริตนิใยของแต่และบุคคลเข้าใจง่ายปฏิบัติง่ายท่านแสดงธรรมต่อครวดทั้งหลายให้เห็นความสำคัญของการเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์เสม อ, สมอว่ามนุษย์ทั้งหลายนั้นควรประกอบด้วยทานศีลภาวนา เป็นประจำนิสัยเพราะธรรมะสามประการนี้คือร่าแก้วแห่งความเป็นมนุษย์โดยแท้ทานคือเครื่องแสดงน้ำใจของมนุษย์ผู้มีจิตใจสูงคือมีเมตตาจิตต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยการให้เสียสลักแบ่งปันตามกำลังของวัตถุทานธรรมทานอภัยทานผู้ใดให้ทาน ย่อมเป็นที่เารพรักเลื่อมใสของบุคคลทั่วไปย่อมเป็นสุขทั้งพบปัจจุบันและอนาคต่านเป็นธรรมอันสงเคราะห์ให้มนุษย์ในโลกเกิดความสงบร่มเย็นยิ่งนักศีลคือรั้วกั้นความเดียดเดียนและทำลายซึ่งกันและกันเป็นเกราะกำบังกิเลสเป็นโอสถวิเศษรักษากายวาจาให้สุจริตผู้ใดมีศีล เป็นจริตนิสัยถือศีลห้าประจันใจย่อมได้อนิสงฆ์คงมั่นห่องใสกายใจมดงามโลกเราก็คงไม่ตามรุ่มร้อนแต่เมื่อใดมนุษย์ขาดศีลเป็นธรรมสมบัติมนุษย์ในโลกก็คงถึงแต่วิบัติเดือดร้อนเป็นมั่นคงภาวนาคือการอบรมใจให้เกิดปัญญารู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ใจไปถึงความสงบสุข ผู้ใดมันภาวนาขัดเกลาจิตใจของตนย่อมมีผลมีหลักยึดจะทำกิจการงานใดย่อมมีใจฉลาดและเห็นประโยชน์และโทษมีเหตุมีผลเลี่ยงตนจากกามติเลสได้โดยง่ายการภาวนาจะใช้วิธีใดก็ให้จิตเกิดความสงบมั่นคงมีอารมณ์รวมนิ่งอยู่ได้ภาวนา จึงเป็นอุบายแก้ไขความทุกข์ที่เกิดขึ้นมิให้ฟุ้งซ่านเร่ า, ร, าร้อนผ่อนพักความคิดมิให้วิปริตฉิดขลองอานิสงส์ทั้งสองก็บังเกิดขึ้นมีสุขภาพกายใจที่ดีธรรมสามประการคือทานศีลภาวนาดังที่กล่าวมาแล้วนี้พระอาจารย์มั่นภูริทะโตได้แสดงแก่ครวาดทั้งหลายไว้อย่างละเอียดประนี ยากที่จะนำมาอัดถาธิบายได้เสมอเหมือน เ, เท่าเพียงแสดงให้เห็นเป็นเหล่าๆขอเป็นเครื่องเตือนสติท่านทั้งหลายไม่ว่าทานศีลภาวนาคือธรรมสมบัติอันประเสริฐของมนุษย์ดุดดังร่าแก้วยึดเกาะไว้มิให้คลอนแคลนเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงบำรุงให้เกิดความเจริญงอกงามมิให้เหลวตามแพรแกร่ไรประโยชน์ อธิบายอันอาขานของพระอาจารย์มั่นธูริธตโตการดำเนินชีวิตปฏิบัติธรรมกรรมฐานของพระอาจารย์มั่นธูริธตโตยิ่งผ่านนามเรื่องไปก็ไดเกียรติคุณของท่าน ก็ยิ่งระเบิดใจไปอย่างกว้างขวางท่านเปรียบประดุจเพชรล้ำค่าควาเรเมืองที่อุบัติขึ้นเพื่อเปล่งประกายจำรักแสนแห่งธรรมในยุคนั้นโดยแท้พระอาจารย์มั่นภูริตโตจะริกไปปรนนับอยู่นักที่ใดบรรดาผู้เลื่อมใสทั้งสารว่าบันพชิตก็เฝ้าตาติดราในมักการคอยสระดับปรับฟังพระธรรมเทศนาจากท่านอย่างมากมาย แม้แต่พระมหาเถระชั้นผู้ใหญ่ก็ใคร่สนทนาธรรมอล้ำเลิศจากท่านครั้งหนึ่งจึงกราบนิมนต์พระอาจารย์นั่นไปพบเพื่อผนธนาเป็นการเฉพาะพระมหาเถระกล่าวถามพระอาจารย์นั่นว่าท่านมีอัธยาศัยไฟบำเพ็ญอยู่แต่ในป่าตามลำพังเช่นนี้ท่านมีปัญหาธรรมอันขบคิดไม่ตกบ้างหรือไม่ถ้ามีท่านจะศึกษากับผู้ใด พระอาจารย์มั่นปุริทัตโตราเรียนพระมหาเถรด้วยความอาฆาณในธรรมะที่ท่านได้ศึกษาจากหลักธรรมชาติแล้วว่าท่านศึกษาธรรมะประกอบด้วยความเพียรอยู่ทุกปีริบบทที่ได้ว่างเว้นเลยทุกการเวลาเว้นเพียแต่ว่านอนหลับพอแต่เล็กน้อยเท่านั้นครั้งตื่นขึ้นมาใจกับธรรมะก็สมัมผัสกัน ท, ทันทีในจิตใจของท่าน ยิ่ได้ว่างเว้นจากปัญหาที่ต้องขบคิดเลยแม้แต่น้อยค่อยถกเถียงโต้อตอกับใจอยู่เช่นนั้นปัญหาใดขบคิดลุดล่วงไปปัญหาใหม่ก็เกิดขึ้นคบคิดวนเวียนอยู่เช่นนั้นทุกแงม่มุมทั้งกว้างและแค่ทั้งลึกและตื้นทั้งละเอียดและหยาบปราบกิเลสให้หลุดพ้นเป็นบทเป็นตอนถอดถอนกิเลสที่ตัวเองโดยไี่ได้คำนึงว่า จะหาผู้ใดมาแก้ไขให้โดยพึ่งใจในตนตามพุทธวาจาว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนดยแลเห็นว่าธรรมะคือสติปัญญาในหลักธรรมชาติการจะค้นพบธรรมอันมีอยู่แล้วตามธรรมชาติต้องอาศัยความเพียรแห่งตนจนถึงที่สุดปัญหาใดที่ไขถามนัปราเพราะเป็นหนทางสะดวก เกิดผลเร็วก็ย่อมกระทำได้หากแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังมีพระชนชีพอยู่ท่านเองก็คงขวนขวายเข้าเก้าพระองค์เพื่อปราทูนถามแห่งปัญหานั้นโดยไม่ได้ลังเลแต่โดยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเด้ตรัสรู้เองโดยชอบมิได้พึ่งพาไขถามผู้ใดนอกจากทรงค้นพบสัจธรรมที่มีอยู่แล้วตามรรมชาตินั้นย่อมเป็นหนทางทางปฏิเส เป็นแนวทางที่ท่านเห็นว่าควรยึดถือปฏิบัติตามถึงแม้ว่าท่านจะต้องขวนขวายใช้เวลานานเท่าใดต้องลำบากเพียงไหนท่านก็ยินดีจะค้นหาสัจธรรมด้วยตนเองตามทางเช่นนี้พระมหาเถระช่างผู้ใหญ่ได้ฟังอัตถาธรรมอธิบายของพระอาจารย์มั่นโพริัตโตแล้วู้มีจิตเลื่อนใจศรัทธากล่าววาจาอนุโมทนาท่านว่าท่านคือพระอริยสง์ ทิ่มีความอาถารจาริกปฏิบัติธรรมในป่าดุดพญาช้างสารที่ท่องเที่ยวไรด้วยใจร่าเริงสมควรกับการยกย่องสรรเสริญยิ่งนัก ลุภูมิธรรมขั้นอนาคามีนับตั้งแต่พระอาจารย์มั่นภูริทตโตบำเพ็ญสมาธิวิปัสสนากรรมฐานด้วยความวิริยะอุสาหะตามแนวทางแห่งปริยะบุคคลจนการเวลาร่วงเลยไปนานเท่าใดท่านก็ได้ความรู้สำเร็จ ตามภูมิธรรมขั้นต่างๆสูงขึ้นเป็นลำดับนับแต่ขั้นโสดาบันขั้นสกัดพามีจนถึงขั้นอนาคามีการบรรลุภูมิธรรมขั้นอนาคามีของพระอาจารย์มั่นภูริตโตนั้นบังเกิดขึ้นเมื่อครั้งท่านบำเพนวิปัสสนาณทัมสาริกาจังหวัดนครนายกท่านเล่าว่าไม่ขณะที่ท่านบำเพ็ญจิตอยู่ที่ถ้ำ น, นั้น พระอาหารหันตรัสาวกทั้งหลายต่างแวะเวียนมาแสดงคำแก่ท่านอยู่เสมอทําให้ท่านเกิดสติปัญญาสามารถพิจารณาสังขารตนได้ละเอียดของแท้ยิ่งขึ้นสามารถละสังโยช น, นเป็นกิเลสอย่างละเอียดได้เด็ดขาดห้าอย่างคือสัจจะทิฏฐิความเห็นเป็นเหตุให้ถือตัวถือตนอย่างหนึง่งวิจิตกิจฉาความลมังเล เป็นเหตุให้ไม่แน่ใจในการดําเนินชีวิตของตนอย่างหนึง่งสีละพะต์รามาสความเชื่อถือตักิตด้วยเข้าใจว่ามีได้ด้วยศีลหรือพฤอย่างนั้นอย่างนี้อย่างหนึง่งกามรา ค, าคาา์ความกําหนัดด้วยอานาจรามกิเลสอย่างหนึง่งและปฏิฆะความกระทบกระแั่งแห่งจิตได้แก่ความหงุดหงิดด้วยอํานาจโทสังอย่างหนึง่ง ผลแห่งการได้ภูมิธรรมท่านอนณาคามีดังกล่าวนี้ทำให้พระอาจารย์มั่นหลุดพ้นจากการมาอุบัติในโลกมนนุษย์และเมื่อท่านดับสังขารในครบนี้แล้วท่านจะได้ไปอุบัติอยู่ในพรมโลกตามภูมิธรรมที่ท่านได้นั้นแต่หนทางแห่งการบำเท็ญเพียรของท่านยังไม่ได้สิ้นสุดแต่เพียงเท่านี้หาภูมิธรรมขั้นสุดท้ายคือขั้นอรหรัน ยังปรากฏเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดที่ท่านจะต้องดำเนินไปให้ถึงที่สุดในภพนี้ให้จบได้ดังนั้นเมื่อท่านเดินทางากลับมายังภาคอีสานแล้วท่านก็เร่งบำเพ็ญเพียรจิตให้กล้าแข็งยิ่งขึ้นยิ่งบำเพ็ญเพียรเท่าใดจิตใจของท่านก็จืดจางห่างเหินจากหมู่คณะมากยิ่งขึ้นความอะไรที่เคยมีอยู่ก็ลดน้อยถอยลงตามระดับ เร่งระงับดับสัโยชน์อีค่าอย่างที่เหลือให้หมดสิน้นเทียบรรลุถินดินแดนพระนิพพานตามปณิธานอันแน่วแน่มั่นคงจนกระทั่งสิงที่สุดแห่งการบันเทนเทียนอย่างยิ่งขณะนันก็บรรลุถึงสิ่งอันปรารถนาบรรลุพระธรรมมาวิเศษสิ้นกิเลสสิ้นภพสิ้นชาติเป็นพระอรหนันต์อันวิเศษในภพนี้ ที่ยากจะหาพระพิุรูปใดในยุคนั้นจะกระทำได้ในระยะเวลาอันสั้นดังเช่นพระอาจารย์มั่นผู้นี้ตอนพระประมาจารย์ แห่งพระอริยสงฆ์ทั้งสวงต้นโพธิ์ที่ยืนต้นเถกใยย่งรากลึกแหก่กินใบป้างไกลเท่าใดก็ย่อมให้ความชุ่มเย็นแก่ผู้อาศัยร่มเงาได้มากเท่านั้นพระอริยสงฆ์ทั้งหลายก็เช่นกัน ย่อมเปรียบได้ดังเช่นต้นโพที่แผ่ร่มเงาแห่งพระธรรมให้แก่พุทธบริษัททั้งปวงและต้นโพแห่งธรรมทั้งหลายที่ประดิษฐานอยู่ในแผ่นดินนี้โดยมากคือสิทธาสิทธิแห่งพระอาจารย์นั่นภูริทตโตผู้เป็นพระปรมาจารย์ในสายวิปัสสนากรรมฐานแห่งยุคปัจจุบันพระอาจารย์มั่นภูริทตโตจึงเปรียบดังผู้ปลูกต้นโพแห่งธรรม ให้ประดิษฐานมั่นคงมากมายสิทธิยาและสิทธิทั้งหลายของท่านล้วนแล้วแต่เลิกในคุณธรรมวิเศษละวางกิเลสแล้วทั้งสิ้นพระอริยสงฆ์ที่เป็นสิทธิพระอาจารย์มั่นที่สําคัญสําคัญในรุ่นแรกคือพระอาจารย์สวุวนแห่งวัดอารันยิกาวาปอาเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายพระอาจารย์สิงห์ขันะยาขโมแห่งวัดป่าสารวัน จังหวัดนครราชสีมาพระอาจารย์มหาปิ่นปัญญาพโลแห่งวัดตัทธารางจังหวัดนครราชสีมาสิทธ์ในรุ่นลําดับต่อมาได้แก่พระอาจารย์เทศเทศรังสีแห่งวัดหินมาเต้งอําเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายพระอาจารย์ฟัน่นอาจารโวแห่งวัดป่าอุดมสมพรอําเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครพระอาจารย์ขาว อนาโยแห่งวัด่้ามกลองเพลอําเภอหนองบัวลําพูจังหวัดอุดรธานีพระอาจารย์พรมเจระปนิโยแห่งวัดประพิธิธรรมจังหวัดอุดรธานีพระอาจารย์ลีธรรมะทะโรโแห่งวัดอโศกา ร, รางจังหวัดสมุทรปราการพระอาจารย์ชอบฐานะโมแห่งวัดป่าสัมมานุศ์อําเภอวังสุขุมจังหวัดเลยพระอาจารย์อ่อนจักกะรรมโม แห่งวัดตาประชานยมจังหวัดกาลสินพระอาจารย์หลุยจันทสาโรแห่งวัดถ้ำผาบิ่งอําเภอวังตะปุงจังหวัดเลยพระอาจารย์สิงห์พุทธจาโรแห่งวัดถ้ำหาปร้องอําเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่พระอาจารย์เต้ออจรธรรมโมแห่งวัดป่าอรัญยวิเวกอําเภอศรีสงครามจังหวัดคนครพนมพระอาจารย์โกงมาจิระปุญโย แห่งวัดดอยธรรมเจดีจังหวัดพะศครพระอาจารย์แหวนสุจิโนโนแห่งวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่พระอาจารย์ชาสุขัฒโทแห่งวัดหน้องปาพงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนแห่งวัดต่าบ้านป่าจังหวัดอุดรธานีและอีกมากมายเกินกว่าจะนำมากล่าวได้ครบถ้วนในที่นี้ พระอริยสงอ์ทั้งหลายเหล่านี้ล้วนเป็นผู้มีคุณวิเศษและคุณลักษณะที่เด่นแตกต่างกันไปแต่ทุกท่านล้วนเป็นเลิศทางด้านปฏิบัติธรรมปิปัตสนากรรมฐานตามแนวทางสัมมาปฏิบัติแห่งพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตผู้เป็นพระประมาจารย์อันประเสริฐซึ่งได้ปลูกโพธิธรรมให้บังเกิดขึ้นเป็นที่พึ่งแก่พุทธบริษัทมาโดยลําดับตราบเท่าทุกข์วันนี้ พระผู้ชีภ า, า, ายหลังจากพระอาจารย์มั่นธูริทโตเสร็จสิ้นการบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานนักถ่ำสาริกาจังหวัดนครนยกแล้วท่านก็กลับมายังถิ่นอีสานบ้านเกิดและตั้งใจที่จะอบรมสั่งสอนพระภิกษุสามเณรทั้งหลายให้จเจริญสติปัญญาระวางกิเลส ได้ธรรมวิเศษค้นทุกต่อไปและพระพิพุสามเณรเหล่านี้ก็จะเป็นกำลังสำคัญในอันที่จะชี้นำสั่งสอนประชาชนออกไปอย่างกว้างขวางอุบายการสั่งสอนของพระอาจารย์มั่นภุริคตโตนั้นแยกลายด้วยวาจาและการปฏิบัติด้วยทุดงขวัตแปประการอันอาถารของท่านคือวิถีทางแห่งอริยมรรคเป็นประจับแบบฉบับตัวอย่างแก่ติดทั้งหลาย ได้ประพฤติปฏิบัติตามกำลังสติปัญญาและความเพียรของตนแนวทางปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นของท่านคือแนวทางที่เรียกเลยว่าเป็นปฏิปทาอดอยากคือดำเนินชีวิตกินอยู่อย่างฝืดเครื่องพอรมานกายใจให้ฝืนขืนขัดเพื่อมิให้ใจผูกมัดอยู่ในฟามสบายรื่นรมอันเป็นเครื่องหนนกิเลสให้พ่อภูมิทุกเอริยาบทของท่าน ล้วนเป็นไปให้เกิดความเบื่อหน่ายในโลกีวิสัยทุกอิริยบทของท่านล้วนมุ่งมั่นชอบใจในธรรมสังเวชเพื่อดับทุกขเวทนาแห่งสังขารและองอาจกล้าหารในการปฏิบัติด้วยความเพียรพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตมักกล่าวสั่งสอนศิษย์ทั้งหลายให้มีความอาฐารราเริงในการปฏิบัติเป็นประจำนิสัยด้วยธรรมที่เรียกว่าพละธรรมาปการ ได้แก่ศรัทธาวิรยิยตสติสมาธิและปัญญาพลธรรมคือธรรอันเป็นกำลังใจในการดำเนินกิจต่างๆผู้ดำรงอยู่ในสมณเพศที่ปรารถนาจะลดพ้นกิเลตนั้นต้องมีใจศรัทธาคือเชื่อในคำสอนแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทสียก่อนแล้วจึงมีวิรยิยะคือความเพียรพยายามปฏิบัติตามแนวทางแห่งอริยมรร ซึ่งเป็นแนวทางที่เต็มไปด้วยอุปสรรคยากยิ่งดังนั้นจึงต้องอาศัยสิ่งกำกับควบคุมใจคือสติความระลึกได้ให้ปฏิบัติตนตามหน้าที่ไม่ให้ท้อถอยแต่กระนั้นบางครั้งอำนาจใจายกิเลเข้มแข็งขึ้นทำให้ท้อแท้เตื่อนถอยจึงต้องอาศัยสมาธิความตั้งใจมั่นในอันที่จะประพฤต ปฏิบัติทําให้สำเร็จและใช้ปัญญาพิจรารณาไตรตรองถึงอุบายแห่งการละวางกิเลสตลอดทุกกิริยบทพในที่สุดแห่งการประพฤติปฏิบัติโดยอาศัยพละธรรมคือกำลังใจห้าประการนี้แล้วยอมบรรลุหลุดพ้นจากวังวนวัฏจกรสนสารเข้าสู่แดนพระนิพพานอันปรารถนานั้นได้ดังที่พระอาจารย์มั่นภูริทโตได้ปฏิบัติเป็นตัวอย่างแก่ติดทั้งหลายไวแล้ว พระอาจารย์มั่นภูริทัตโตในบรรดาพระสหธรรมิกของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตนั้นพระอุบารีคุณูปมาจาร์จันสิริจันโทแห่งวัดอรมานิวารราชวรวิหารกรุงเทพคือพระอริยสม ที่พระอาจารย์มั่นให้ความนับถืออย่างยิ่งผู้หนึ่งท่านเจ้าคุณอุบารีเป็นชาอุบลราชธานีเช่นเดียวกับพระอาจารย์มั่นและคบหากันมาตั้งแต่ยาววัยท่านเจ้าคุณอุบารีเป็นผู้มีสติปัญญาฉลาดเฉลียวเขียวชาญในอุบายสั่งสอนและเป็นเลิศทางวิปัสสนากรรมฐานยิ่งผู้หนึ่งซึ่งพระอาจารย์มั่นให้การเคารพยกย่องท่านมาโดยตลอด ราวใดที่พระอาจารย์มั่นจาริกมายังภาคก่างท่านก็มักมาศึกษาอบรมอุบายปัญญาเพิ่มเติมกับท่านเจ้าคุณอุบาลีอยู่ไม่ได้ขาดพระบุรพาจารย์ทั้งสองนี้มีความผูกพันในธรรมะระหว่างกันอยู่มากดังจะเห็นได้จากเมื่อครั้งพระอาจารย์มั่นพำนักปฏิบัติธรรมอยู่ณถ้ำสาริกาจังหวัดนครน ย, ยกนั้น ท่านเคยกำหนดจิตมาเยี่ยมท่านเจ้าคุณอุบาลีด้วยความระลึกถึงส่วนท่านเจ้าคุณอุบาลีก็มีความเลื่อนสาเคารพยกย่องพระอาจารย์มั่นอย่างยิ่งเช่นกันท่านนักนิมนต์พระอาจารย์มั่นมาร่วมพิจารณาข้อธรรมต่างๆหรือปรึกษาวางแผนการอบรมสั่งสอนพระพิสุทธสามนเณรและประชาชนอยู่เสมอเสมอท่านให้การยอมรับนับถือในภูมิธรรมของพระอาจารย์มั่นอย่างมาก เป็นที่ประจับชัดแก่สาธารณชนทั้งปวงดังเช่นเมื่อครั้งพระบุรพาจารย์ทั้งสองเดินทางไปํานักณวัดเจดีหลวงจังหวัดเชียงใหม่ท่านเจ้าคุณอุบาลีนิมนต์บนพระอาจารย์มั่นเป็นองค์แสดงธรรมแก่พุทธบริษัททั้งหลายพระอาจารย์มั่นก็สามารถแสดงธรรมได้อย่างไพเราะทราบซึ้งยิ่งนักจนท่านเจ้าคุณอุบาลีอดไม่ได้ที่จะกล่าวสรรเสริญยกย่อง พระอาจารย์มั่นในคางกลางพุทธบริษัททั้งหลายท่านกล่าวว่าท่านมีใจเคารพเลื่อนใสในภูมิธรรมของพระอาจารย์มั่นและไม่สงสัยเลยว่าขณะนั้นพระอาจารย์มั่นได้สําเร็จภูมิธรรมขั้นพระอนาคามีโดยสมบูรณ์แล้วจริยาวัดอนุดงามที่บูรพ า, าจารย์ทั้งสองปฏิบัติต่อกันดังพรนานามานี้เป็นที่ประจักษ์แต่เป็นที่สรรเสริญยิ่งนัก ท่านทั้งหลายที่ได้ฟังแล้วก็ควรพิจรารณาไตรตรองด้วยสติปัญญาเถี่ยวว่าการคบบัณฑิตเป็นมงคลแก่ชีวิตอย่างไรการมีมิตรแท้ให้ประโยชน์แก่ตนอย่างไรและการปฏิบัติตนต่อมิตรโดยทางนั้นพึงประพฤติปฏิบัติอย่างไรขอให้ท่านทั้งหลายผู้ปรารถนาความสุขมั่นคงจงพึงเว้นจากมิตรชั่วพึงคบแต่บุคคลอันประเสริฐ และพึงตั้งอยู่ในโอวาทแนะนำของท่านด้วยใจยินดีเพียงเท่านี้ประโยชน์สุขจะบังเกิดแก่ท่านทั้งหลายตื่ไป ภูมขั้นอนาคามีแล้วท่านก็เร่งความเพียรตามวิถีแห่งภูมิธรรมนั้นต่อไปอย่างเต็มกำลังจนภูมิธรรมสมบูรณ์เต็มที่แต่เมื่อท่านเดินทางกลับมายังดินแดนภาคอีสานแล้วโอกาสที่ท่านจะบำเพ็ญเพียรจิตเต็มที่ก็มีน้อยลงเนื่องจากเกภารกิจการสั่งสอนอบรมพระพิสุสามงเงาและประชาชนจนเวลาล่วงเลยไปถึงสามเดือน ท่านได้จาริกไปทำนักอยู่ณจังหวัดเชียงใหม่ท่านจึงมีโอกาสได้บำเพ็ญเพียรจิตเต็มที่ทั้งนี้เพราะมีปัจจัยส่งเสริมสมบูรณ์ทั้งพื้นฐานภูมิธรรมสุขภาพร่างกายและสถานที่ธรรมชาติอันสงบวิเวกและแล้วสุดท้ายปลายทางแห่งความปรารถนามั่นคงและการบำเพ็ญสมาธิอย่างยิ่งก็มาถึง เมื่อพระอาจารย์มั่นสามารถกำจัดกิเลสิ้นทั้งมวลท่านเกิดปัญญาละทิ้งกิเลสละเอียดเป็นลำดับนับแต่ละทิ้งสิ่งอันเป็นรูปธรรมทั้งสิ้นแล้วพิจารณาลงในความว่างเปล่าคืออนัตตาละทิ้งสิ่งอันเป็นนามธรรมทั้งมวลส่วนจิตที่ยังมีมานะสำคัญตัวว่าเป็นนั่นเป็นนี่ท่านก็สามารถเร่งกำจัดสิ้นโดยรวดเร็ว แล้วระงับดับความทิดที่พุ่นพร่านเลิดเรือนในขณะบำเพ็ญสมาธินั้นได้ในขณะนั้นจิตของท่านมุ่งมั่นอยู่แต่กำจัดอวิชชาคือความหลงอันเป็นเหตุให้ไม่รู้จริงนับตั้งแต่ยี่สิบนาฬิกาจนกระทั่งถึงสานาฬิกาของวันใหม่อวิชชาก็แตกพ่ายดับสิน้นเพียงกานั้น ชักปาฏจันท์ก็บังเกิดขึ้นโลกธาตุวันไวตึกต้้งแท่พระเจ้าทั้งหลายต่างพากันแท้สองสาธุการสะท้านสะเทือนไปทั่วพิภพและเปร่งเสียงสรรเสรินโดยพร้อมกันว่าบัดนี้สิทธิระถาคมปรากฏขึ้นในโลกโอีกองคอยู่แล้วเราทั้งหลายขออนุโมทนา ย, ยินดีแด่ท่านโดยท่านค้นพบแล้วพุ่งทำอันจะเสิฐ สำเร็จอริยสงฆ์อันเลิศในแผ่นดินมนุษย์ในครั้งนี้ครั้นเหตุอัจจัสมสงบลงแล้วจิตใจของพระอาจารย์มั่นก็ดำรงอยู่ในสภาวะธรรมชาติบริสุทธิ์และเห็นธรรมอันแจ้งชัดแลว่าเป็นธรรมอละเอียดเกินนิสัยที่มนุษย์ผู้อยู่ในสภาวะกิเลสจะรู้ตามได้แต่เมื่อท่านน้อมใจรึกถึงพระคุณแห่งพระศาสดาที่ทรงมีพระมหากรุณาที่คุณ ้าสัตว์ทั้งหลายให้ข้ามกระแสกิเลสอันเชี่ยวกราดนั้นเสียได้พระอาจารย์มั่นจึงน้อมจิตไปในความกรุณาต่อสรรพสัตว์ตามปฏิปทาแห่งพระาศาสดาที่ทรงดำเนินแล่นั้นจึงมุ่งมั่นเพื่อสงเคราะห์โลกต่อไป ในการสอนหน้าอัศกันเมื่อครั้งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมวิเศษและเสวยวินุติสุขเสร็จสิ้นแล้ว พรองค์รงคิดเจรนาถึงบุคคลอันควรสั่งสอนให้รู้ธรรมวิเศษนั้นได้โดยเปรียบกับดอกบัวสี่เหล่าได้แก่ดอกบัวที่ตั้งขึ้นบนน้ำแล้วหนึ่งดอกบัวที่ตั้งอยู่เสมอน้ำหนึ่งดอกบัวที่ตั้งอยู่ในน้ำหนึ่งและดอกบัวที่อยู่ใต้น้ำหนึ่งดอกบัวสามเหล่าแรกเปรียกได้กับบุคคลซึ่งสามารถสั่งสอนให้รู้ธรรมได้โดยอุบายต่างๆ แต่ดอกดัวใต้น้ำอันเปรียบได้กับบุคคลซึ่งไม่สามารถสั่งสอนให้รู้ทำได้เลยไม่ว่าจะหาอุบายสั่งสอนใดๆมาใช้ก็าตามด้วยมีกิเลสหนาตําหนักมากเลือประมาณสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพิจารณาด้วยพย า, ยานอย่างทราบบุคคลผู้จะได้รับประโยชน์จากพระธรรมดังนั้นแล้วจึงทรงอธิษฐานในพระราชาลิไท ทค่จะแสดงทำสั่งสอนมหาชนตั้งพระปณิธานใครจะดำรงพระชนอยู่จนกว่าจะประกาศพระศาสนาให้แพร่หลายประดิษฐานขาวรเพื่อสำเร็จประโยชน์แก่ปวงชนทุกหลักแนวทางแห่งพุทธเจริยาดังกล่าวนี้เป็นแนวทางที่พระอาจารย์มั่นได้ดำเนินตามแล้วกางถี่เพื่อท่านสำเร็จอรหัตผล น, นั้นท่านแลลรงเห็นบุคคล อันควรได้เรียนรู้ธรรมวิเศษตามแนวทางที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติจนพบด้ตนเองท่านมีอุบายสั่งสอนเชี่ยวชานการดักใจทรมานกิเลส ข, ของบุคคลต่างๆได้เป็นเลิศพิศสุสามเณรรูปใดมีใจกายออกนอกลู่ทางแห่งสุปฏิปันโนแล้วท่านก็ใช้อุบายวิธีต่างๆอบรมสั่งสอนให้ประพฤติถูกต้องเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่ง ภิกษุสามเณรรูปใดมุ่งต่ออัดต่อทำจริงจังเมื่อได้รับฟังคำตัดเตือนท้วงทัศไม่ว่าหนักหรือเบาก็มักน้อมรับแก้ไขความเขาหลงผิดอย่างเต็มสติกำลังภิกษุสามเณรรูปใดหนาด้วยทิฏฐิเห็นผิดมีอวิชชาคว้าไม่รู้ครอบงำมากพระอาจารย์มัน่นก็ใช้อุบายวิธีตัดบันสันกรอนด้วยวาจารุนแรง ราวกับเชิญแสงแห่งพระสุรีที่มีฤทฐานุภาพแพ่เทาทิพิ์และอวิชาที่มอดไหมเป็นจุลในบัดนั้นครั้นสิ้นทางยอมจำนวนราดค้าท่านก็ปราบปรบด้วยวาจาสุขุมงอ่อนโยนนำน้อนใจไปตู่ธรรมตามบรรดาถ้าจับข้อสงสัยทีละน้อยด้วยเหตุผลจนพิจุสามเณรนั้นเข้าใจแจ้งชัดในพระธรรมเทศนา พระอาจารย์มั่นภูริคตโตนียานิเศษกำหนดรู้จิตใจผู้อื่นได้รวดเร็วราวกับสายฟ้าสิทญยานุสิตจึงต้องคอยระมัดระวังสำรวมในการปรเพณธรรมเคร่งครัดด้วยเหตุ น, นี้สิทญายานุสิตแห่งพระอาจารย์มั่นส่วนใหญ่จึงล้วนเป็นพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งแก่มหาชนชาวไทยสืบมาจนถึงปัจจุบัน แก่ท่านไม่ตองหนิงว่าที่นี่เธอเห็นพระตถ า, าคตอย่างแท้จริงแล้วไม่ใช่หลีพระตถ า, าคตแท้จริงคืออะไรคือควาบริสุทธิ์แห่งใจที่เธอเห็นแล้วนั่นแหละที่พระตถ า, าคตมาในร่างนี้มาในร่างแห่งส ม, มุตตังหะเพราะพระตถ า, าคตและพระอรหันต์อันแท้จริงนี้ที่ร่างแบบที่มากันนี้ นี่เพียงเป็นเรือนร่างของตถาคตโดยทางสมตุติพระพุทธธํรมรักดังกล่าวนี้ยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตหรือยืนยันในพระพุทธโอวาทที่ทรงประทานแก่ีิสุสงก่อนเสด็จปรินิพานว่าทาก็ดีวินัยก็ดีอันใดอันเราได้แสดงแล้วได้บัญญัติไว้แล้วแก่ท่านทั้งหลาย ทำและวินัยนั้นจะเป็นาศาสดาแห่งท่านทั้งหลายโดยการที่ล่วงไปแล้วเห็นเราโดยในยักษ์ที่นี้จึงปฏิเสธไปได้เลยว่าพระอาจารย์มั่นภูริตโตได้พบพระพุทธเจ้าที่แนนท้จริงแล้วเหตุอาศจารย์อันปรากฏแก่พระอาจารย์มั่นดังที่กล่าวมาแล้วนี้ปรากฏอยู่ในสมาธินิมิตแก่จิตอันบริสุทธิ์ ซึ่งจะปรากฏกับผู้ได้ประพฤติ ธ, ธรรมฤิษวามอดทนภาเพียรขจักกิเลสโดยไม่ย่อเพาะท่านทั้งหลายจึงควรพินิษพิจารณาไตรตรองเถิดว่าธรรมะตาโมพราาะวังโหติธรรมเทศตีป ร, ราพะโวผู้ไฟในธรรมย่อมเป็นผู้เจริญผู้หางเหินหรังเกียรธรรมย่อมเป็นผู้เสือ่อ แสดงความเป็นไปแห่งเทวดาพระอาจารย์มั่นภูริโตกคือพระอริยสงฆ์ที่มีปฏิปทากล้าหารในการบำเพ็ญสมาธิวิปัฒนาอ ย, ย่างยิ่งและเป็นผู้มีโวหาร เทศนาธรรมที่ไพร่พลละเอียดเล็กซึ้งด้วยเหตุนี้เทวดาทั้งหลายจึงรับมาฟังการแสดงคำจากท่านเสมอเสมอและอาจารย์นั่นสแสดงความเป็นไปแห่งเทวดาทั้งหลายไว้ว่าบรรดาเทวดาเหล่านั้นมีชั้นภูมิสูงต่ำแตกต่างกันมนีกายทิพย์หูทิพย์ตาทิพย์และมีวิ ลอยในอากาศได้ร้าวกับปุยนุ่นเทวดาที่เดินทางมาฟังธรรมนั้นจะทำประทับศเวียขวาสามรอบเสียก่อนแล้วจึงเข้ามานั่งฟังอย่างสุบเป็นระเบียบสวยงามจากนั้นผู้นำแห่งเหล่าเทวดาก็แจ้งหวามประสงค์ใคร่ขอฟังพระธรรมเทศนาจากท่านโดยสื่อภาษาทางจิตที่รวดเร็วราวกับสายฟ้าเมื่อท่านได้แสดงธรรม เทวดาทั้งหลายก็เกรงวาจาสาธุการขึ้นพร้อมกันแล้วทําประทัดศิลปลากับอย่างสมบุกเป็นระเบียบสวยงามเช่นเดิมพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตได้รับฟังคําสรรเสริญจากผู้นําแห่งเหล่าเทวดานั้นว่าในขณะที่ท่านแสดงธรรมแก่สมณะประชาชนทั้งหลายนั้นกระแตเสียงแห่งคําของท่านดังกึกต้อง สะเทือนสะทานไปทั่วแผ่นฟ้าและแผ่นดินเป็นที่น่าอาัศจรรย์เหล่าเทวดาทั้งหลายไม่ว่าจะพมณ์ณชั้นภูมิใดย่อมได้ยินแก่ใจประจักษ์มีความสุขอิ่มเอมในธรรมเมตตาที่ท่านแสดงนั้นอยากจริงเทวดาน้อยใหญ่ล้วนเลื่อนสายเคารพศรัทธาในตัวท่านทั้งสิ้นแม้แต่ท้าวสัตตะเทวราชผู้เป็นใหญ่แห่งเทวดาทั้งปวง ก็ยังสเสด็จลงมาพร้อมบริวาร น, นับหมื่นแสนเพื่อมานมัสการและอาราธนาท่านสแสดงทำให้ฟังเสมอเสมอํำพิเศษที่พระอาจารย์มั่นสแสดงโปรดเท้าสักัะเทวราชโดยมากก็คือเมตตาอภัมัญญาพรหมวิหารนอกจากเทวดาทั้งหลายเหล่านี้แล้วยังปรากฏว่ามีเทวดาในถิ่นประเทศเยอรมันมาฟังครรจากท่านด้วย เพราะชั้นภูมิแห่งเทวดามีได้แบ่งเขตต้นแดนดังเช่นพบภูมนุษย์การเดินทางของเทวดาล้วนเป็นไ ป, นปนด้วยฤทธานุภาพเพราะเหธอได้รวดเร็วเพียงลัดนิ้วมือเดียวเท่านั้นจึงนับได้ว่าพระอาจารย์มั่นภูริธาตุเป็นนาฏธดีที่พึ่งแห่งเหล่าเทวดาทั้งหลายใช่แต่เทวดาดังกล่าวนี้เท่านั้นยังมีบรรดาคุฑทาพญานาครา ก็ได้อาศัยพระธรรมเทศนาที่ท่านแสดงเป็นแก้วส่องแสงนำทางให้พ้นทุกข์จบสิ้นสู่ถิ่นพระนิพพานต่อไป แสดงทำโปรดดวงวิญญาณแห่งบาตรบริจาริกาคู่บารมีอันธรรมดาแห่งโลกวิสัยในมนุษย์ทุกหมู่เหล่าย่อมมีคู่ครองสืบชาติบาตรบริจาริกาคู่บารมีด้วยกันทั้งสิน้น กรรมบุญสร้างสมท่งผลทุกพบชาติแม้สมเด็จพระาศาสดาก็รงมีพระนางพิมพายะโสธราผู้พระบารมีทุกภพชาติดังที่ทราบกันแล้วนั้นชีวิตของพระอาจารย์มั่นภูริโต๋อก็เป็นไปตามทรมนองแห่งพุทธเจริยานี้เช่นกันข้าเล่าเรื่องอันนี้มาจากบาทบริจาริกาของข้าไว้เฉพาะแก่ิษ์ เพื่อให้เป็นข้อคิดพิจารณาตามสมควรแก่คำว่ามาบริจาริการผู้ดีของท่านมาปรากฏทางสมาธิภาวนาในรูปปิญญาโดยปาราศเป็นห่วงพระอาจารย์มั่นในฐานะที่เคยตั้งความปรารถนาในพทธภูมิมาด้วยกันท่านกล่าวตอบว่าหั่ละความปรารถนาในพทธภูมินั้นแล้วและบัด น, นี้ได้ตั้งความปรารถนา ดับทุกสิ้นในชาตินี้ไม่ขอกลับมาเกิดอีกดวงวิญญาณกล่าวตัดคอต่อไปถึงความอาภัพในวาสนาติดตกอยู่ในห้วงกรรมไม่อาจบรรลุธรรมสิ้นกิเลสได้เช่นท่านจึงรู้สึกเสียดายที่เคยได้ถวายความจงรักภักดีในทบน้อยใหญ่มาด้วยกันท่านก็พันมาลีภพชาติไปแต่ลำพังผู้เดียวไม่เหแหลพระอาจารย์มั่นได้ฟังเช่นนั้น จึงกาโวหารทำด้วยเมตตาเพื่อตัดเวทนาดูมิญญา น, นั้นว่าการบำเพ็ญความดีทั้งหลายแม้ว่าจะได้บำเพ็ญมาด้วยกันเช่นพระพุทธองค์และพระนางพิมพายโสธราแต่เมื่อพระพุทธองค์ทรงบรรลุถึงความพ้นทุกข์แล้วพระองค์ก็เสด็จกลับมาแสดงคำโรดแก่พระนางพิมพายโสธราจนได้สำเร็จถึงที่สุดแห่งทุกข์ในภาง ท่านจึงขอให้ดวงวิญญาณได้คิดพิจารณาตามแบบอย่างัต่างนี้ท่านไม่ได้คิดละทิ้งความคนทต่ปไปแต่เพียงผูด้เดียวท่านมีความปรารถนา น, นำทางและสงเคราะห์สรรพสัพตว์โดยธรรมวิเศษที่จัดได้บรรลุต่อไปเมื่อพระอาจารย์มั่นกล่าวด้วยวงหารธรรมตัดเวทนาจบแล้วดวงวิ ญ, ญญาณแห่งบาตรบริจาริกาผู้บารมีก็มีสติ อ่อ น, น้อมยอมรับด้วยความตั้นิตตนและมีปัญญาเห็นทางแห่งการบรรลุความพ้นทุกข์ที่จักมีขึ้นในการข้างหน้าจึงตั้งความปรารถนาว่าหากเกิดในภพใดที่เหมาะสมแล้วขอให้ได้กลับมาได้รับฟังโอวาทธรรมจากพระอาจารย์มั่นด้วยเถิดจากนั้นจึงกระปลาหายไปจากสมาธิภาวนาของท่านสิ้นการแห่งความเป็นไป ในอนุสนธิเหตุดังกลาง่าวแต่เพียงเท่านี้ตอนธรร ม, มาตุเตติรแลธรรมคำสอนของรรมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นพระบรมศาสดาแห่งเราทั้งหลายเป็นพระธรรมอันพิเศษเป็นพระธรรมอันเลิศเป็นสัจจคความจริงที่พิสูจน์ได้ในทุกสถานทุกกาลเวลาผู้ใดประพฤติ ธ, ธรรมย่อมได้ผลอันประเสริฐยิ่งแก่ตนเป็นบัณฑิตเป็นผู้รู้การรู้ตนรู้บุคคลอี่และรู้เท่าทันเกียรติทันตวพระธรรมทั้งหลายจึงมีอานิสงส์มาก เป็นที่พึ่งแห่งมนุษย์ทั้งหลายเราจึงควรยึดถือพระธรรมเป็นสาระสรรเสริญพระธรรมเป็นนิจน้อมจิตเอามาเป็นธรรมานุสติอยู่เสมอพระอาจารย์มั่นภูริคตโตกล่าวเทศนาแก่พฤะารกนิกชนอยู่เสมอว่าพระธรรมคำสอนแห่งพระศาสดาคือพระรัตนะอันเลิศที่จะบันดาลสุขอย่างแท้จริงให้บังเกิดแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติพระธรรมเท่านั้น ที่จะบรรดาให้เกิดสันติสุขแก่โลกดัง น, นั้นท่านทั้งหลายจึงควรพิจารณาด้วยปัญญาเถิดว่าอานิสงส์แห่งการประพฤติ ธ, ธรรมนั้นมีมากสมควรแก่การบำเพ็ญฝึกตนหาหนทางให้เข้าถึงประธรรมอันลิเบตแม้ว่าจะลำบากกายใจเพียงใดก็ตามก็ต้องพยายามบำเพ็ญเพียรกายใจให้เป็นธรรมะโดยสุดโดยไม่ย่อหย่อน ดังจะเห็นได้จากจริยวัตรของพระอาจารย์มั่นที่ท่านอุทิศกายใจบำเพ็ญเพียรเพื่อธรรมวิเศษโดยไม่ขอถอยแม้จะต้องถึงแก่ชีวิตก็มิได้ชดเสียดายสมดังพทธวาจาเป็นผ่าติว่าจักเทหนั ง, ต, ง ต, ตั้งขวารัตสักเหตุตั้งคังจักเทชีวิตังรักขมาโนตั้งคังทนังชีวิตดจปิดจักพัง จะเทนโรธรรมมนุษย์สราโตนึงสละตั้เพื่อเห็นแก่อวัยวะถึงสละอวัยวะในเมื่อจะรักษาชีวิตถึงสละได้ทั้งหมดทั้งอวัยวะสัพและชีวิตในเมื่อคำเด่งถึงคำแนวทางจริยาดังพุทธศาสนสุภาษิต ด, ดังกลาง่าวนี้ถ้าไม่ใช่พระอริยสงฆ์หรืออริยบุคคลแล้ว ก็มีน้อยคนนะที่จะประพฤติปฏิบัติตามจนสามารถบรรลุธรรมวิเศษได้สมปรารถนาย่างไรก็ตามหากท่านทั้งหลายมีใจมานะปรารถนาในธรรมชัมพระอิเลหเป็นลำดับค่อยเป็นค่อยไปทีละเล็กละน้อยแล้วก็ย่อมประเกิดเลิติดผลแห่งการประพฤติมากมายยิ่งแล้วขอเพียงแก่ท่านทั้งหลายใช้ความเพียรเป็นกาลัง มีความตั้งใจมั่นเป็นฐานและมีการเวลาเป็นเครื่องเกือ้อหนี้กอ่อปุ่มภสุลฐานประพฤกษีลภาวนาตามกำลังเป็นนิสิจิตใจกายตั้งฐานย่อมเบิกบานชุ่มชื่นสงบเห็นเป็นที่ประเสริญแก่มุ่งลึกเทวดาทั่วไปนี่คืออนิสงส์แห่งการน้อมใจในธรรมานุสติยึดถือพระธรรมเป็นที่พึ่งแก่ตนโดยแท้ พระธรรมเทศนาสำคัญในวันวิสาขบลาชาในปีพุทธศักราช2482ขณะนั้นพระอาจารย์มั่นทูวิจโตมีอายุได้ราว69ปี ท่านพำนักอยู่ในดินแดนจังหวัดเชียงใหม่แสวงห า, วาความสงบในแนวใคร่ข้ามผาตามอธัธยาใัยเป็นเวลานานแล้วทำให้สิทธายสิทธิ์ทั้งหลายในดินแดนภาคอีสานมีใจ ร, รู้ถึงพระอาจารย์เป็นที่สุดแล้วดังนั้นท่านเจ้ากุลธรรมเจดีจึงเป็นตัวแทนแห่งสิทยิยาิทธิ์เดินทางไปกราบปรารนาพระอาจารย์มั่นให้เดินทางกลับมาเป็นหลักแห่งธรรม ณดินแดนภาอีสานพระอาจารย์มั่นขัดคำอารัธนาไม่ได้จึงตกลงใจเดินทางกลับโดยมาหยุดพักอยู่ณวัดเจดีย์หลวงก่อนขณะนั้นตรงกับวันเพ็ญวิสาขมาคือวันครึ่นสิบห้า่เดือนก อ, อันถือว่าเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาวิสาขบูชาในราตรีนั้นแสงจันทร์ส่องสว่างกระจางทั่วทองฟ้าและบริเวณ่าราม พระอาจารย์มั่นภุริธโตนั่งสงานเหนือธรร ม, มาะอยู่ท่ามกลางเหล่าพุทธศาสนิกชนผู้ศรัทธาในปฏิปทาของท่านด้วยอาการสงบสำรวมเพื่อรับฟังพระธรรมเทศนาอามเจ้ากุลราชกบีอาราธนาเทศเป็นการประถมพระบรมอริยเจ้าเแห่งยุคเริ่มแสดงธรรมด้วยโบหารไพเราะละเอีย ด, ล, ยดลึกซึ้งเป็นลำดับว่า วันวิสาขาบูชานี้มีความสำคัญเป็นที่น่าอาัศจรรย์ยิ่งนักด้วยเกิดเหตุการณ์สำคัญในพุทธประวัติซึ่งปรากฏตรงกันในวันเดียวสมวาระคือพระสูตรปราสรูและปรินิพานพระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมศาพดาแห่งเราทั้งหลายได้ละสังขารโดยประทานพระธรรมคำสอนอันประเสริฐ ไว้เป็นศาสดาแทนพระองค์แล้วผู้ใดได้แลเห็นธรรมผู้นั้นย่อมได้แลเห็นพระองค์อย่างแท้จริงดังนั้นเราทั้งหลายซึ่งเกิดมาเป็นมนุษย์สุดประเสริฐยิ่งแล้วควรเร่งกระทำความดีประพฤติธรรมเพื่อค ว, วามไม่ประมาเทเถิดเพราะการกระทำความดีย่อมได้ผลดีตอบสนองต่อไปในการข้างหน้าและไม่กลับไปเกิดภพภูมิที่ต่ำกว่าในพภพปัจจุบัน เราทั้งหลายพึงระลึกถึงความจริงที่พระบ ร, รมศาสดาตรัสไว้เถิดว่ากาลยาณการีกาลยานังปาปการียะปาปการะทำความดีย่อมได้ผลดีทำความชั่วย่อมได้ผลชั่วและกามุนาวัตตีโลโกสัตโลกย่อมเป็นไปตามกรรมโดยนัยะแห่งความจริงเช่นนี้มนุษย์ผู้มีปัญญา ย่อมรีเพ่งสร้างแต่กรรมดีไว้ให้มากโดยไม่ประมาทในสังขารของตนที่ไม่จีรังยั่งยืนย่อมดับลงได้อยู่ทุกขณะพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตดังที่กล่าวมานี้เป็นพาติดจับใจพุทธศาสนิกชนทั้งหลายในราตรีนั้นยิ่งหนัก พระบรมโอริธรมแห่งพุทธศาส น, นิกชนพระอาจารย์มั่งภูริโตะเดินทางออกจากจังหวัดเชียงใหม่ราวกลางตีพุทธศักราช2482เพื่อกลับถิ่นอีสานโดยผ่านพนักตามจังหวัดคายทางคือ วัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานค ร, รวัดป่าสารวันจังหวัดนครราชสีมาจนถึงจุดหมายปลายทางที่จังหวัดกู้ดรนธานีท่านกลางความอาลัยของพุทธศาสนิกชนแต่ละแห่งที่เคยเฝ้ากราณมรดการรับฟังพระธรรมเทศนาจากท่านและผ่านกลางความยินดีปราโมแทแห่งสิจามิสิทธ์ทั้งหลายทั้งสภณะพระว่าในถิ่นอีสานที่พระบรมโคธรที่ผู้เป็นอาจารย์ เดินทางกลับมายังผิ่นของตนพระอาจารย์มั่นมาพำนักจำพรรษาอยู่นวัดต่างๆในจังหวัดอุดรธานีและสะกลนครยามใดออกพรรษาท่านก็มักจะริกแสวงหาว่าวิเวศนัดบำเพ็ญธรรมตามเจริยวัดพิสัยที่ได้บำเพ็ญมาโดยตลอดโดยไม่หยุดพักแม้ว่าท่านจะมีอายุไขเข้าสู่ปัชิมวัยได้เจ็ดสกว่าพรรษาแล้วก็ตาม ท่านก็โม่งมั่นจาริกแสดงธรรมแก่พุทธศาสนิกชนอย่างเต็มที่ไม่รู้เหนื่อยเหนย่อยสิทธิยาฤทธิ์อรรนาท่านให้ไปทานักนักที่ใดท่านก็ไม่ได้ปฏิเสธกลับเดินทางไปยังถินต่างๆเพื่อโรวจทิตและผู้ศรัทธาเสียทุกครั้งแม้ว่าหนทางจักธุรกันดานเสี่ยงต่อสุขภาพสังขารของท่านเพียงใดก็ตามท่านก็ไม่ได้เบื่อหน่ายท้อถอย จนกระทั่งในปลายปีพุทธศตวราษ2484ท่านก็มาพำนักอยู่ณนะสำนักสงฆ์แห่งบ้านนามนอันสนัตวิเวกเป็นที่โปรดในอัธยาศัยของท่านยิ่งนะณนะที่แห่งนี้ท่านแสดงความเป็นบรมโพธิธรรมส่งเสริมกำลังแห่งความเพียรของพระพิตุสงฆ์ให้กล้าแรงยิ่งขึ้นทําให้ดินแดนแห่งนี้ สว่างเกิดจ้าด้วยประกายแห่งคำทั้งที่ว่าและราตรีแลกต้องดังด้วยเสียงสวดมนต์ภาวนาอยู่ทุกขั้มฟืนไม่ได้ขาดพระที่โคมไฟสวัยสว่างวางไว้เป็นระยะระยะแต่ละองค์แต่ละองค์ประยิตตางดงามงาม่งาสัฐาเลื่อมใสยิ่งนักพระอาจารย์มั่นคูริทธตใช้เวลาในช่วงนี้อบรมสั่งสอนพระเนงที่เดินทางมาขอรับ พระธรรมโอวาทเพื่อบำเพ็ญตนให้บรรลุถึงที่สุดแห่งทุกต่อไปในการขนาด้วยความเมตตาตระาเป็นที่ตัง้งด้วยภาระแบกขนสัพสัตที่หนักอึ้งแต่การเที่ยวจาริกไปในแดนดงป่ า, าทิกด้วยจริยทุดดงทวัิไม่ได้กระดูกสบายสังขารที่เร่ร่วงเข้าสู่วัยชราจึงไม่อาจทนทานต่อโรคภัยที่มีอยู่ทั่วไปในป่าเขาได้ ท่านกินอาภาษอยู่เป็ น, ปนประยะแต่ก็หายไปด้วยอุบายแห่งธรรมโอสถบางครั้งท่านอาภาษหนะักรุนแรงด้วยมาเรียจับสั่นหนาวร้อนรุนแรงแต่ก็สามารถนับดับหายได้สังขารไหวอันไม่มั่นคงของท่านเริ่มสร้างความวั่นวหวในใจแห่งพุทธศาสนิจชนทั่วไปอย่างเงียบเงียบ สงฆ์บ้านนามนจังหวัดสกลนค ร, รต่อมาท่านจึงมาจำพรรษาอยู่นวัดหนองผือจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2492ขณะนั้นท่านมีอายุได้79พรรษาด้วยไว้สังขารชรามาจนอายุถึงเทีย ง, งนี้โรคาพยาธิก็เริ่มสั่คลอนสังขารของท่านอีกครั้งในวันขึ้น14ค่าเดือน4 และไม่มีใครคาดคิดเลยว่าอาการอาภาพณครั้งนี้จะเป็นสาเหตุลุกลามนําไปสู่การสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของมนุษย์และเทวดาทั้งปวงพระอาจารย์มั่นมีอาการอาภาพเป็นไข้และไออยู่เป็นระยะตลอดทั้งวันทั้งคืนท่านประจักษ์ชัดในอาการของสงคานครั้งนี้เป็นที่สุดท้ายแล้วตามกฎแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตา ท่านจึงกล่าวเตือนพระพิจุสงฆ์ไว้ว่าอย่าได้นิ่งนอนใจให้เปล่าประโยชน์ขอให้เร่งประกอบความเพียรเสียแต่ขณะที่ท่านยังมีลมหายใจเถิดมีสิ่งใดขอแก้ไขท่านก็จะเมตตาแก้ไขให้ทันการได้พระอาจารย์มั่นคืออริตโตอาภาธอยู่ณวัดนองถือครั้งนี้เป็นที่พักสังขารมิได้กระทาทุดงสวัดเดินป่าอีกเลยจึงนับว่า เป็นการลาวัตวนาครั้งสุดท้ายของท่านอาการอัาภาษของพระอาจารย์มั่นยังคงดำเนินต่อไปไม่รุนแรงแต่ก็ไม่ได้เป็นปกติสุขนักผู้ใดถวายยาขนานใดท่านก็ไม่ได้สนใจเคร่งครัดด้วยเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์ต่อสังขารของท่านทำให้จิตญาณสิทธิ์ทั้งสมณครว่าและประชาชนที่มาจากทั่วสารพิษ มีความเป็นห่วงใหญ่ในตัวท่านยิ่งนะักทุกคนล้วนมีใบหน้าหมองเศร้าเงียบขึ้นและสนทนาแต่เรื่องอาการของท่านอยู่เสมอแต่ดูเหมือนพระอาจารย์มั่นจะไม่ได้แสดงอาการใดๆให้เป็นที่ผิดปกติท่านยังคงสนทนาหาโอวาทคํามมาแสดงโตรดแก่ผู้มาเ ย, ยี่ยมเยียนอยู่ตลอดเวลาตามกําลังสังขารที่อําโวยเป็นบางเวลาแต่ท่านมีอาการอ่อนเพลียเมื่อใด ทุกคนก็ร้อมใจให้โอกาสแก่ท่านได้พักตามอัคยาไสย มิม่ธรรมเทศนาเป็นที่น่าอัศจรรย์ขึ้นปีพุทธศักราช2492สังขารวัยของพระอาจารย์มั่นภูริทธธัโตนับได้79พรรษาโรคคาพยาธิที่เบียดเบียนอยู่ยังไม่รุนแรงกำเริบนกนะ วันเป็นเดือนสามวันมาคับอุชารย์ผัวายามราตรีนั้นกระจางแจ้งรุ่นแสงจันเต็มดวงแห่รัศมีสว่างสวยไปทั่วพระอารามดูงดงามยิ่งนักประกอบกับพระธุดงผู้ทรงคุณธรรมบริสุทธิ์มารวมอยู่เป็นหมู่คณะไม่มีกิเลสบุคคลมาพลปะอยู่แม้แต่น้อยทำให้จิตใจของพระอาจารย์มั่นเบิกบานยินดี เป็นการเวลาที่เหมาะสมควรแสดงธรรมเทศนาแก่บรรดาทุดงขสิษฐ์ทั้งหลายเหล่านั้นที่มารวมกันโดยอัศจรรย์ยิ่งพระอาจารย์นั่นแสดงพระธรรมเทศนาถึงสิ่งอัศจรรย์ในวันมาคับบูชาในการเมื่อครั้งพระพุทธศาสดาทรงอัฐาประธานพระโอวาทปติโมกแก่พระอรหันตสาวกล้วนหนึ่งันอห้าสิบ ที่มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายทุกพระองค์ล้วนมีากายใจหมดจดศรัทธาในพระศาสดาจารที่ประทานเอธิพิภุอุปสมปทาคือบรรพชาให้ด้วยพระองค์เองทั้งสิ้นเป็นองค์สี่คือจารุรงคสันนิบาตอันอัศจรรย์และพระโอวาสําคัญประทานไว้เป็นหัวใจแก่นแท้แห่งพระพุทธศาสนาว่าการไม่ทาความชั่วทั้งองคหนึ่งการบาเพ็ญแต่ความดีหนึ่ง การทําจิตของตนให้ผ่องใสหนึ่งนี้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติคือความอดกลัน้นเป็นสบับอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวว่ามุธานเป็นวรมธรรมผู้ทําร้ายคนอื่นไม่ใช่ว่าเป็นบันปรปชิตผู้เบียดเบียนคนอื่นไม่ใช่ว่าเป็นสมณนะการไม่กล่าวร้ายหนึ่งการไม่ทําร้ายหนึ่งความสํารวมในปาติโมกหนึ่ง ความเป็นผู้รู้จักประมาณในอาหารหนึ่งที่นั่งที่นอนอันสนัดหนึ่งความเพียรในอาทิตย์หนึ่งนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจา้าทั้งหลายพระอาจารย์มัน่นแสดงธรรมต่อไปถึงสมาธิปัญญาและวิมุตติลุกค้นโดยเปิดเผยชัดแจ้งและสุดท้ายแห่งโอวาทท่านประกาศเป็นปัดชิ้นมรทำครั้งสุดท้ายว่านักแต่นี้ไป ท่านจักไม่แสดงคําตามธํานองเช่นนี้อีกนับตั้งแต่นั้นมาวาระสังขารของท่านก็เริ่มคืบคลานเข้าสู่ความตายอันเป็นจุดสุดท้ายของมุษย์ที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้เลยอาการอาภาษของท่านเริ่มกาเริบรุนแรงอยู่ทุกขณนะแต่กระนั้นท่านก็เพียนระงับความเจ็บไข้เพื่อบำเพ็ญกิจแห่งสมณพิสัยด้วยใจอดทนท่านไม่ยอมหยุดปินขบาต และฉันพัตาหาในบาทสมดังชาตินักสู้ผู้ไม่เคยท้อถอยในธรรมจริยวัตรเป็นที่อัศจรรย์น่าเลื่อมใส ย, ยิ่งนักตอนดับสังขารสู่พระนิพานชั่วนิรันดร ในปีพุทธศักราช2492ภายหลังออกคำษาอันเป็นคำษาครั้งสุดท้ายแล้วอาการอาภาษาของพระอาจารย์มัน่นรุนแรงหนักยิ่งขึ้นบรรดาศิทธญารสิกธิ์และประชาชนผู้ศรัทธาต่างพาทยอยกันมันแน่นทะอารามจนพระอาจารย์มัน่นกล่าวรรบารอบด้วยความเป็นห่วงว่าบรรดาญาติโยมทั้งหลาย จะพากันมาลำบากเพราะสาเหตุการดับสังขารของท่านด้วยนักที่นี้อัตฉริยะที่อยู่ที่กินย่อมเดือดร้อนท่านไมยากเป็นต้นเหตุแห่งความลำบากเช่นนี้เพราะตลอดชีวิตของท่านก็มั่นคงเมตตาจิตอุทิศส่วนกุศลแก่ตัดม่เลือกหน้าดังนั้นท่านจึงไครเดินทางกลับไปยังวัดป่าสุทาวาสอาเภอเมืองจังหวัดสกลนครชาวบ้านชาววัดนองขือ ได้ฟังก็ล้วนอาลัยอาวร์ไม่อยากให้ท่านจากไปไปไหนแต่ก็สุดขัดใจกราบทฐานทุกคนู้วนเต็มไปด้วยม่านน้ำตาสุดอาลัยวิปโยคยิ่งเมื่อเขาหามท่านใสแ่แคร่เคลื่อนที่ออกจากวัดทุกคนก็ยิ่งรำพันรำให้อาดูลสิ้นเงาท่านก็สิ้นสูญสรรพสเนียงใดๆวัดหนองผืออย่างนี้ก็ไร้ร้างเงียบงัน สิทธยาิทธิ์นำพระอาจารย์มั่นเดินทางจากวัดหนองผือผ่านมาทางอำเภอพันณานิคมไปจนถึงวัดบ้านผู้ในเวลาห้าโมงเย็นและหยุดพักอยู่ณที่นั้นเป็นเวลาสิบวันด้วยอาการของท่านน่าเป็นห่วงยิ่งนักแต่พระอาจารย์มั่นก็เร่งรัดสิทธิ์ให้นำท่านไปยังจังหวัดสกลนอครโดยเร็วเพราะสังขารท่าน ใกล้แตกดับแล้วเกรงจะไม่ทันเวลาดังนั้นคืนวันนั้นสิทธิสาทศจึงรีบพาท่านเดินทางไปยังจังหวัดสกล น, นครจนถึงวัดป่าสุทธาวาสในเวลาที่ยังตรงพอดีคณะแค่ฉีดยาถวายให้ท่านนอนหลับพักผ่อนจนกระทั่นตีหนึ่งของวันใหม่ท่านจนึงตื่นขึ้นมาแล้วกล่าวแกติดให้คิดพิจารณา ในอาการเสี่อมของสังขารความเป็นทุกข์ในอาการของขันที่ทนอยู่ไม่ได้ท่านเริ่มพิจารณาลาขันทั้งห้าอันและปราทั้งหลายไม่ปรารถนาจะพบเห็นอีกต่อไปพระอาจารย์มั่นดำรงกายในลักษณะสีหะสายาตตะแทงเรื่องขวาอย่างมั่นคงแต่ด้วยกําลังค่อยสูญสิ้นไม่อาจดารงอยู่ในสีหัสายาตได้สมบูรณ์เจอกันเอียงอยู่ในลักษณะ ตึงหงายกึงเอง็นเช่นนั้นสุดแก้ไขด้วยลมหายใจอันเคยภาวนาพุโทโธเริ่มอ่อนล้าระหวยละเอียดลงละเอียดลงจนเงียบสิ้นสงบดับสังขารสู่พระนิพพานแต่เพียงวินาทีนั้นในเวลาปีสองยี่สิบสามนาทีโลกมนุษย์ได้สูญเสียพระอริยสงฆ์ผู้ทรงคุนูปการยิ่งแล้วบัดนี้ ประเทศอันเคยลุดโลงสวามในวงการแห่งพระพุทธศาสนาอีกดวงหนึ่งได้มอดดับลงแล้วชั่วิรัน ที่กลายเป็นพระธาตุพระอาจารย์มั่นปูริตโตมรณภาพในวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2492 ขท่านได้80สิบพรรษาข่าวการมรณภาพของพระอาจารย์มั่นแพร่สะพัดอย่างรวดเร็วผู้ได้ยินได้ฟังตามพากันโศกสร้างอาดูรงให้อาลายัยเราจะขาดใจตามพระอาจารย์ที่เคารพศรัทธายิ่งของเขาทุกคนมุ่งหน้ามากราบนมัสการศกท่านอย่างนนเนื่องแน่นวัตถุเครื่องบูชาที่ประชาชนและ วายสก่ารักเพิ่มพูนมากมายราวกับภูเขาย่อยๆกระแสคลื่นมนุษย์ทุกภูเราล่างไหลมาราวกระแสน้ำหลากในฤดนูฝนดูสับสนวุ่นวายไม่ใช่น้อยเสียงระมงร่าให้ยังมีอยู่ในขาดสายในระหว่างเก็บศพท่านเพื่อรอช า, นาปนติจในเดือนสามปีพุทธศักราชสอง3บสานั้น ทางคณะผู้จัดงานสพท่านจัดสวดมนต์แสดงธรรมถวายแด่ท่านทุกคืนทั้งสมณะประชาชนจำนวนมากมายเหลือขนานับอางพากันมาร่วมงานอยู่ไม่ได้ขาดทั้งปัจจัยบริจาคเงินทองขัาตหานล้วนหลั่งไหลเข้ามาด้วยอำนาจใจศรัทธาเป็นเช่นนี้โดยตลอดจนกระทั่งวันขึ้นสิบเอ็ดค่ำเดือนสา ปีพธธุทธศักราช2493ตัวอาราธนาสังขารขันของท่านขึ้นสู่พระเมรุทองจาตตุรมุขอันช่างผู้ชงงานได้ประจงจัดกตกแต่งลวดลายงดงามสมเกียติบรรดาประชาชนสมณะทั้งหลายที่ระงับดับความวิะโยกไม่ได้ก็รำให้กรฟิกระงมไปทั่วบริเวณครั้นถึงกำหนดเที่ยงคืน เริ่มชาบนกิจท้องฟ้าที่กระจายด้วยแสงเดือนและแสนดาวอันรยิยะตาก็พลันมามืดคลึ้มด้วยเมฆบางครั้นจุดประทีศถวายเพลิงเป็นเล่โชคช่วงขึ้นยาที่รุมก็โปรยละอองอันละเอียดลงมาช้าๆเป็นฟุ้งฝอยนานถึงสิบห้านาทีก็หายไปท้องฟ้าก็กลับแจ่มใสดังเดิมดูเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนัก ครั้งรุ่งเช้าเก้านาฬิกาก็จัดการเก็บอั ฐ, ฐีของท่านแล้วแบ่งสรรปันส่วนแจกไปเป็นสบัติกลางของจังหวัดต่า ง, างๆเพื่อเก็บไว้ในสถานบูชาตามที่เห็นสมควร